จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคำว่าจงฟังนี่หมายคมว่าไงคือหมายคมว่าห้ามอินทรีอื่นนะจากคุณซีก็ห้ามทาเนนซีชิวหินซีกายินซีนี่นะก็ห้ามเอาเฉพาะโสตินซีเป็นกิจก็จงฟังเพราะฉะนั้นทวารอื่นไม่รับเหมือนนนะรับโสตทวารอันเดียวอย่างหนึ่งจงใส่ใจให้ดีนี่นะแล้วก็ตั้งโยนิโสมนัิการตามที่ฟัง สำนวนสมัยใหม่ท่านใช้คำว่าส่งจิตตามธรรมะไปนนะก็คือใข้ครควนตามเนื้อหาที่รับฟังไปนั่นแหละอันนั้นที่เรียกว่าจงใส่ใจให้ดีแล้วพระองค์ก็จักแสดงคำในแต่ละสูตรแต่ละสูตรไปนนะก็คือให้ให้ตั้งโยนิสงมนสิการให้ดีนะเวลาฟังเพราะว่าคำว่าฟังนี่แหละอยู่ในจักประเภทไหนจักประเภทฟังสัธรรมใชม่แล้วก็ใส่ใจให้ดีก็เป็นลักษณะของ โยนิโสมานัสิการถ้าบอกว่าจงฟังปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิจากภายนอกมาเรียกว่าปรตโตโคสานะการฟังคําอันนั้นก็เป็นปัจจัยของสัมมาทิฐิจงสายใจให้ดีคําว่าสายใจให้ดีก็คือโยนิโสมานสิการโยนิโสมานสิการอันนี้ก็เป็นเหตุภายในที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิผ น, นก็ให้ตั้งปัจจัยที่จะทําให้เกิดสัมมาทิฐิทั้งสองทางเลยนะทั้งการฟังแล้วก็ นึกคิดเอาเนี่ยนะให้สัมผั์แล้วก็ติดตามเนื้อหานั้นไปอันนั้นเป็นกิจของสัมมาทิฏฐิบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยนะทำความเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้เป็นอย่างดีแล้วก็เพ่งตามตรึกตามอันนั้นเป็นอะไรเป็นสัมมาสังกปะเนี่ยนะวิต ก, ก็เป็นว จ, จีสังขารอยู่ด้วยเนี่ยนะเป็นว จ, จีสังขารลมหายใจเข้าก็เป็นลมหายใจเข้าออกเป็น กายสังขารเนี่ยนะก็ให้สังขารเหล่าเนี่ยเป็นไปกับกุศลธรรมอย่างต่อเนื่อง น, นะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมแล้วก็ติดตามเนื้อหาพระธรรมอย่างตลอดสายบรรลุมรคนีนะ่หาประมาณไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยนะถ้าจะว่าไปไปปฏิบัติเองแล้วบรรลุกับนั่งฟังแล้วตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะอันไหนมากกว่าเนี่ยนะฟังและบรรลุมากกว่าภาษารียบดเนี่นะ ฟังแล้วบรรลุจากพระอัสสชิเนี่ยนะครั้งแรกเรียกว่าบรรลุโสดาบันครั้งที่สองท่านฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วบรรลุมักที่เหลือที่ถ้ำสุกระขาตาเนี่ยน ะ, ะคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันพระปัญจวัคคีเนี่ยนะฟังเพราะบรรลุบรรลุเพราะฟังพระชฉินสามพี่น้องเนี่ยนะรูเวลกักสปะนาทีกัษปะขยากัษปะเป็นต้นเนี่ยแล้วบริษัทอีกพันหนึ่ง ท่านเหล่านั้นก็บรุเพราะฟังยะสะกุลบุตรพร้อมทั้งพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่แล้วก็อดีตพัรยานี่นะบรรลุทำก็เพราะการฟังหรือแม่พระเจ้าพิมพิสารกับบริษัทส1อนหุตนเนี่ยนะคือหนึ่งหนึ่งหมื่นคนเนี่ยนะก็บรุเพราะการการฟังธรรมหลังจากนั้นอีกอย่างเช่นมหาจูลาราฮุโลวาทสูรเทวดาทั้งหลายบรรลุหาประมาณไม่ได้ มหาสมัยสูตรเทวดาก็บรรลุหาประมาณไม่ได้มงคลสูตรเนี่ยนะเทวดาก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นสูตรเยอะเนี่ยนะแล้วก็ในสมาคมที่พระองค์รมยมกะปาติหารก็บรรลุเนี่ยนะมหาศาลบรรลุห้าสบกวห้าสิบประมาณห้าิกว่าโกดเนี่ยนะแล้วก็ที่พระองค์แสดงอภิธรรมปิดกในสวรรค์ชั้นดาวเดืองเนี่ยก็บรรลุหาประมาณไม่ได้คือบรรลุ ป, ประมาณแปดสิบโกด แปโกด ท, ที่บรร ล, ลุอันเนี่ยเพราะเนื่องจากการฟังพระภาษาดิบุตรแสดงธรรมก็เทวดาบรร ล, ลุมหาสารเหมือนกันนะพระอริยะองค์อื่นๆที่แสดงธรรมเนี่ยนะผู้ที่บรร ล, ลุในขณะฟังเนี่ยเยอะเยอะกว่าไปเดินจงกรมไปนั่งคัสมาธิกว่าอะไรมากมายนะที่ถ้าเทียบปริมาณในการตรัสรูธ้ธรรมนะผู้ที่ฟังแล้วบรร ล, ลุมากกว่าไปไป อ, อาการอย่างอื่น แต่ที่จริงการจะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะในวิมุตตายตนาสูตรหรือวิมุตติสูเนี่ยกล่าวไว้หประการใช่ไหมที่เราเคยได้ยินแล้วหนึ่งคือการฟังผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะอพอได้ฟังก็ทําให้รู้อรรู้ธรรมเมื่อรู้อรรู้ธรรมแล้วก็ให้เกิดปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสุขสมาธิเนี่ยนะแล้วก็สมาธิอันนั้นก็ระดับนั่นแหละเอาสุดยอดก็อรหัตผลสมาธินั่นแหละเพราะฉะนั้นนี้ก็เกิดจากการฟังแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังจากผู้ที่ ท่านใช้คำว่าศาสดาฟังจากพระศาสดาหรื อ, อเพื่อนสะพรมจารีที่อยู่ในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ฟังแล้วจะยังลงสู่สมมะตะสิสมมะตินิยามหรือว่าความถูกต้องในกุศลโดยชอบเนี่ยนะหรือมักขากุศลเกิดขึ้นได้เนี่ยนะองค์ประชุมเนี่ยหนึ่งคนที่ฟังที่จะตรัสรู้ทาได้หนึ่งไม่ดูถูกผู้แสดงเนี่ยนะอย่างหนึ่งสองไม่ดูถูกตัวเอง โอ้ยเรามันยังงั้นอย่างางี้นะต้องไม่ดูถูกตัวเองสามไม่ดูหมิ่นเรื่องที่กำลังฟัง อ, องค์ประชุมสามอย่างนี่แหละเรียกว่าเคารพธรรมแล้วก็ส่งจิตใยรู้เรื่องนั้นใยรู้เรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างไรอย่างไรก็ติดตามเรื่องไปเรื่อยๆอลักษณะนี้แหละเรียกว่าเคารพธรรมก็ลูกของอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะที่เป่อพ่อเนี่ยจ้างให้ไปฟังทำนะอะ อาการที่เคารพธรรมของลูกชายของอนาถาก็คือติดตามว่าเรื่องเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงอาการที่ติดตามเนื้อเรื่องนั่นแหละเชื่อว่าเคารพธรรมถ้าตรงกันข้ามอ่ะนะนั่งฟังแต่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่สนใจติดตามเนื้อหาอันนั้นชื่อว่าไม่ไม่เคารพธรรมนะขณะเตือนอยู่นะไม่ต้องกล่าวถึงว่าจิตไปเป็นอย่างอื่นนะนะไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นน ะ, ะเน้นเอาที่สนใจติดตามเนื้อหาเป็นเกณฑ์เพราะกุศลจิตจะเกิดตอนนั้นตอนเดียวนะนะอย่างอื่นไม่ใช่ละ เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอัตกถาอิติปุตตะพูดถึงว่าบุญกิริยาวัตถุที่เกิดจากการฟังเนี่ยนะไม่ใช่ฟังเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ย น, น, นะเพราะว่ามีนักฟังจำอวดอยู่เหมือนกันเขาว่กนก็ต้องไม่มีกิริยาแบบนั้นฟังต้องการเนื้อหาเป็นประมาณฟังด้วยความเคารพธรรมถึงไม่เข้าใจธรรมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ด้วยอํานาจของปัญญาแต่ก็มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าว่าเออเนี่ยนะธรรมะอย่างนี้เนี่ยนะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นะเป็นต้นเนี่ยนะถึงฟังเรื่องนั้นไม่เข้าใจเป็นอย่างดีแต่ก็มีศรัทธาว่าคําสอนเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยน ะ, ะถ้าตั้งจิตไว้แบบนี้กุศลจิตว่าจะเกิดใช่ไหมหรือว่าเออฟังวันนี้นะถึงเข้าใจยังไม่ดีพอวันต่อๆไปนะเราก็จะเข้าใจมากวาามากว่านี้ขึ้นเข้าใจมากกว่านี้ขึ้น ตั้งอัตตาซ้มาปณิที่ไว้แบบนี้ก็ชื่อว่าฟังธรรมกุศลจิตก็เกิดจากการฟังธรรมแต่ถ้าอย่างอื่นก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะแม้แต่ผู้แสดงธรรมก็เหมือนกันน ะ, ะถ้าผู้แสดงธรรมแสดงปรารบโอ้เนี่ยนะเรามาพูดเราก็จะได้ชำนาญในเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมขึ้นอันนี้ก็อั น, นิสงก็ไม่มากอะไรในการแสดงธรรมหรือว่าไม่ต้องพูดถึงว่าแสดงเพื่อจอําอทเนี่ยนะว่าตัวเองเนี่ยรู้อะไรรู้แค่ไหน ลักษณะว่าม า, น, านะอนะที่ว่าเราเนี่ยรู้ว่าคนฟังทั้งนั้นแหละเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็แสดงไปแล้วก็นึกดูหมิ่นผู้ฟังไปเป็นต้นอันนั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอั น, นิสง์มากอะไรในขณะเดียวกันถ้าทําด้วยอกุศลก็มีมีโทษถึงพูดเสียงเนื้อหาเนี่ยฟังดูแล้วเป็นธรรมะแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลขณะนั้นถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษผู้ธรรมะนะอมีโทษนะผู้ธรรมะแต่จิตเป็นโทสะนี่ก็มีโทษ ผู้ธรรมะถ้าจิตเป็นโลภะก็มีโทษถามว่าให้ผลเป็นสุขคือเป็นทุกข์อันนี้อนนตอบอนะนตอบได้โดยส่วนเดียวว่าให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหมมีกำไรที่ไม่น่าปรารถนาว่างั้นเพราะนั้นพระองค์เวลาจะแสดงธรรมพระองค์ก็จึงแสดงไว้เลยนะจงฟังจงใส่ใจให้ดีพระองค์ก็จะกล่าวต่อไปนี้ย้อนมาหาเรื่องพระอรหารของเรานะไปถึงไหนแล้วพระอาหารไปถึงไหนล้ พุทธคุณ น, นะใครไปเจริญอรหันตคุณมาบ้างพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะพ่อประกอบด้วยคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะอรหันตคุณของพระองค์เป็นยังไงเนาะอารหันตคุณข้อหนึ่งคือไกลจากกิเลสค่าคำว่าไกลาจากกิเลสนี้หมายคำว่าไกลาจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นพร้อมทั้งวาสนาะ คำว่าวาสนาก็คือความเคยชินทางกายทางวาจาในส่วนที่ไม่ดีนั้นไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอะไรด้วยอริยมรรคไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคเขาเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าละสมุทัยด้วยอะไรละสมุทัยด้วยอริยมรร k นั่นเองเนะอันนี้คืออรหันตคุณข้อที่หนึ่งแต่ว่าอารหันตรงนี้จะพิเศษกว่าอารหันตัวทั่วไป พิเศษกว่าพระป่าเจ ก, กับพุ้เท่าเจ้าพิเศษกว่าสาวกทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะตรงที่ว่าพร้อมทั้งวาสนาคือนี่ความเป็นอรหันต์ที่พิเศษกว่าผ้าอรหรันต์ทั่วๆไปเพราะพร้อมทั้งวาสนาพระอรหรันต์ทั่วทไปเนี่ยท่านไม่มีกิเลสเหมือนกันราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่มีเหมือนกันหมดเลยแต่ผ้าอรหันต์ทั่วไปยังละวาสนาไม่ได้ คำว่าวาสนาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าทุจริตนะท้าพระหันไม่สามารถละทูตจิตได้หมดนะเช่นพระปิรินทวัตฉะเนี่ยนะไอคำพูดเรียกคนอื่นไปไหนมาคนถอยมาแล้วเลิกคนถอยไปไหนคนถอยอย่างเงี้ยเป็นต้นน่อันนี้เรียกว่าวาจีทุจริตของพระรหันภาษาริบุตรเห็นน้ําแล้วท่านไอเคยชินเนี่ยนะนกระโดดครั้งหนึ่งเนี่ยไออาการที่กระโดดไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกายทูตจิตส่วนหนึ่ง แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไล่พระภิกษุประนามบอกว่ามีในวัดวัดหนึ่งพระองค์ก็ประทับอยู่นะมีภิกษุประมาณห้าร้อยรูปมามีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์อะไรนเนี่ยก็พาบริษัทเป็นพระใหม่มาหมดเลยพอมามาถึงวัดเนี่ยนะก็เออะอยวยวายกันนะมาสี่ห้ารอยเนี่ยนะก็จัดตั้งกุฏิเรื่องนะ ไหนกุฏีไหนถึงผมอะไรเงนนเนี่ยนะก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะอาคารตุกะเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนบวชบ้างอะไรบ้างนี่ก็ โ, โหได้เรื่องได้ราวก็คุยกันใหญ่ยยโตเลยนะทีนี้ถ้าคุยคนสองคนมันก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดังมากนี่สี่ห้าร้อยคุยพร้อมๆกันเนี่ยเหมือนชาวประมงแย่งปลาว่ารังี้ยชาวประมงนี่เว่าไง เขาจะตะโกนเนี่ยจากข้างฝั่งตะโกนมาได้ปลาไหมมานี้ไอ้ข้างบนบอกได้ขายไหมเงี้ยก็ถามกันไปถามกันมาเนี่ยนะก็ลักษณะเนี่ยลักษณะชาวประมงแย่งปลานะก็คือตลาดน้ําที่เขาซื้อขายปลากันตะโกนโวยวักวุกวักอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ําพึงว่าโอ้นี่ขนาดมาสู่สํานักของเรานียังวยวายขนาดนี้ยังเอะอะกันขนาดนี้ถ้านี่ทําไม่ใช่พุทธสํานักว่างั้นเถะไม่ใช่สํานักพระพุทธเจ้าเนี่ยจะวยวายกันขนาดไหนเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นมาถึงก็มากราบพระองค์บอกว่าพวกเธอจงไปวังนั้นเราประนามวังนั้นไม่คุยเล่นนะบอกไปประนามทิกษุนี่ง่อยหมดไปนะห้ารอรูปเนี่ยเตรียมเก็บบริคารหมดง่อยไปหมดเลยเสร็จแล้วตอนหลังก็พรมก็มาราธนาว่าเออท่านเหล่านี้ก็เหมือนกับพระใหม่นะยังไม่่อยรู้อะไรเพราะฉะนั้นอาศัยความอนุเคราะห์ให้พระองค์แสดงธรรมเธอแล้วก็สักยะคนหนึ่งก็มามาเน้นะพูดอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยนะ ตอนหลังพระ อ, องค์ก็เรียกมาเรียกพระพิสุทั้งหลายเป็นตอนเนี้ม า, าหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ถามภาษาสัตยบุตรว่าสารยบุตรมาเมื่อเราประนามพระพิสุสโธทรงอย่างนี้แล้วนะเธอคิดยังไงเขาบอกว่าตอนนี้พระ อ, องค์มีความขวนขวายน้อยแม้ข้าพระ อ, องค์ก็จักขวนขวายน้อยเหมือนกันไม่เอาแล้วขนาดพระพุทธเจ้าไม่เอาแล้วเราจะไปเอาได้ยังไงพอละพอกันทียนะเรื่องบอกเรื่องสอนอย่างเนี้นะท่านก็คิดจะไม่ไม่แนะนําใครละ อันนี้แหละไอนนความคิดอันนั้นแหละเรียกว่ามโนโทุจริตคือต้องทุจริตในสายตาใครด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ว่าพระอาหารทั่วๆไปท่านยังละไม่ได้ละทุจริตไม่ได้เนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าไอนนคิดแบบนั้นคิดด้วยกุศลจิตไม่ใช่นะอกุศลจิตเนี่ยถูกละไปตั้งสมัยนมนานแล้วละแต่ที่เรียกว่าอากอุที่เรียกว่าทุจริตเพราะคิดแบบนี้คิดไม่ดีใช่ไหมเชื่อว่าคิดความคิดที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระ อรหันต์ทั่วไปนั้นจึงไม่ได้มีความพิเศษเท่ากับพระตถ า, าคตอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าที่พระพุทธเจ้าปนนำเนี่ยนะคือเป็นวิธีการสอนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิธีสอนแบบหนักว่า ง, งั้นเหรนะวิธีสอนแบบลงหนักแล้นะแต่ว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมแล้วกลุ่มพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฟังแล้วก็บรรลุกมรคนิพานอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ที่พระองค์สอนอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าจิตจริงๆของพระองค์นี่ไม่ไม่เด็ก อันนี้หรอกก็เหมือนกับพ่อแม่บางคนเนี่ยนะด่าลูกเนี่ยนะค่อนข้างใช้คํารุนแรงเช่นเหมือนกับว่าไปตายซะอะไรซะเนี่ยนะถอยคำแบบนี้ถามว่าจริงๆแล้ว่พ่อแม่คิดแบบนี้ไหมบอกถ้าเองโง่ขนาดนี้ก็ไปตายซะนี่นะพูดกับลูกอ่ะนะถามว่าพ่อแม่อยากให้ลูกตายอย่างนั้นจริงๆไหมไม่อยากเห็นนะก็เหมือนกับพ่อแม่บางคนเนี่ยนะลูกมันหนีไปเที่ยวอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเ อ, อ้อให้ควายปามคิดในตายไปนั่นนะก็ พ, พูดแบบนี้นะ แต่ว่าแม้แต่บอสํานวนว่ากลีบบัวก็ยังไม่อยากให้ตกใส่ลูกกันนะ ใ, ใจที่รักจริงๆกันนะแม้กรแต่ครูอาจารย์บางคนก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ว่ายากสอนยากไล่มันไปแต่ที่จริงแล้วก็ที่พูดอย่างนั้นก็เพื่อความเจริญของของลูกศิษย์นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ลักษณะเดียวกันเห็นไหมทีนี้ในสูตรนี้คือภาษาลิบุตรที่จะขนฝ่ายน้อยตา ม, มารพระสมณะสมุทรเจ้าและคํโาโมคคัลานะ รพระโมคคัลลานะไม่ขวนขวายน้อยนะพระโมคคัลลานะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยภาละอันนี้พระองค์ขวนขวายน้อยเดี๋ยวเราจะรับภาละอันนี้เองพระโมคคัลลานะไม่ขวนขวายน้อยนะในเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะเหตุถึงสามสาคือเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ที่เพราะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพระองค์รู้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่ใช้วิธีนี้พิกษุกลุ่มนี้ฝึกไม่ได้ ฝึกไม่ได้เพราะว่ามันคล้ายๆกับมันลําพองใจกันเหลือเกินอ่ะนะทุกคนเนี่ยลาพองใจกันหมดเลยอ่ะทีนี้พอถูกประนามเข้าเนี่ยนะแหมมันวูบมาเลยนะเหมือนกับไปที่ไหนเสร็จแล้วแหมลําพองใจว่าเรานี่ต้องเป็นแขกที่มีเกียรติที่สุดเสร็จแล้วเขาปิดประตูบ้านไม่รับอย่างเงี้ยนะแหมมันลดไปหมดเลยนะเหมือนกับคนไร้ญาติขาดมิตรอะไนั่นไอ้ลดมาหมดถ้าในระดับนั้นแล้วจึงคุยกันรู้เรื่องว่างั้น เรายังมีหวังนะเพราะว่าเรามาน้อยที่สุดได้เลยท่านท่านยังบรรลุนั่นเอเราไี่ต้ก็พูดอย่างนี้นะทําให้นึกถึงพระพุทธพจน์ว่าไงนะมีอยู่พุทธพจน์บอกว่าส่องจิตไปเอในทิศตะวันออกเนี่ยนะคิดไปในทิศตะวันออกให้ไกลนิดเหนือทิศใต้ทิศบนทิศล่างนะผู้ที่จะรักเสมอด้วยตนเป็นไม่มีเพราะงั้นเราจะห่วงเราที่สุดคุยทุกเรื่องนะทุกคนจะห่วงตัวเองที่สุดเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าส่งจิตไปในทุกทิศเนี่ยนะก็รักตัวมากที่สุดเหมือนกับที่พระเจ้าปเปเสนที่โกศลคุยกับพานางมริกาเนี่ยนะบอกพานางนางมริกาเนี่ยชั้นเนี่ยรักเธอที่สุดรักเท่าชีวิตอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็จะให้นางเมริกาพูดแบบนี้คืนบ้างนางเมริกาไม่พูดบอกหม่อมชั้นรักหม่อมชั้นมากที่สุดนะพระเจ้าประเสนนี่โกรธมากคือ น, นึกว่าจะพูดตามบ้างอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงถึงเรื่องนี้นะ เหตุการณ์นี้อาศัยเรื่องนี้พอง ก, ก็แสดงว่าบุคคลเนี่ยส่งจิตไปในทุกทิศเถอดจะไม่มีใครเป็นที่รักเท่าท่ากับตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนก็ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะไม่ควรนึกดูหมิ่นผู้อื่นเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอการเจริญเมตตาควรเจริญให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอันนั้นอย่างที่คุณวิลาวันพูดนี่ก็ถูกแล้วเพราะว่าในโลกนี้ก็รักตนนั่นแหละมากที่สุดเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่รักตนแล้วควรตังต้งตนไว้โดยชอบนะ ทีเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะควรตั้งตนไว้โดยชอบเพราะว่าบุคคลที่ตั้งตนไว้โดยชอบจะมีคุณยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่ามารดาเนะ่ยิ่งกว่าแม่ที่ที่ทําให้อีกว่างั้นแต่เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งไว้ชอบถามว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบตั้งไว้ยังไงตั้งที่จะบำเพ็กุศลอย่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นต้นลักษณะนั้นแหละเรียกว่าชื่อว่าตั้งตนไว้โดยชอบ เช่นถ้าหากว่าถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปเลยไม่เคยให้ทานก็ตั้งเพื่อที่จะให้ทานแล้วนี่นะรักษาศีลที่ไม่เคยรักษาก็ตั้งเพื่อให้รักษายิ่งขึ้นไปอนนนในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าธรรมะไม่เคยฟังก็ตั้งจิตเพื่อที่จะให้ฟังเหมือนกับพระไตรปิฎกเล่มไหนที่เรายังไม่ได้อ่านนะก็ตั้งจะตั้งจิตเอาไว้เพื่อที่จะไปอ่านคําสอนในส่วนนั้นๆส่วนไหนที่อ่านแล้วแต่จําไม่ได้ก็ตั้งใจเพื่อที่จะทรงจําพระธรรมคําสอนในส่วนนั้นๆ คําสอนในส่วนไหนที่ทรงจําได้แล้วก็ตั้งใจใหม่เพื่อที่จะปฏิบัติตามคําสอนในส่วนนั้นนั้นให้บริบูรณ์การตั้งจิตไว้ในลักษณะนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆ เ, เรียกว่าอัตตะสัมมาปนินธิเนี่ยนะเขาเรียกว่าตั้งจิตภาพเพียรเพื่อให้รู้ธรรมะที่ยังไม่รู้เนี่ยนะเพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงไออาการแบบนี้เรียกว่าอัตตะสัมมาปนินธิเนี่ยนะควรตั้งเนะี่ยควรตั้งเพราะว่าตั้งแบบนี้เป็นมงคลใช่ไหมเป็นถ้าไม่ตั้งอ่ะ อับประมงคนแน่นอนเนี่นะอ่ะาเหมือนนะตอนนี้ได้วิธีโกรธฮะว่วไวางไงนะีวิธีดับโกรธจิตเตสังคิริเททุกคติปาติกังขาบุคคลเมื่อจิตเศร้ามองทุคติก็หวังได้ตกตรถ้าโกรธตอนนี้ถ้าเกิดหัวใจวายตอนนี้อบายหวังได้เลยนะอะถ้าตอนนี้เนี่ยจิตเป็นกุศลเนี่ยนะถ้าเกิดหัวใจวายตอนที่จิตเป็นกุศลก็สุขติหวังได้นะั่นนะ จิตเตะอสังกิริตเหสุขติปาติกังขาบุคคลเมื่อจิตผ่องใสหรือจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยนะสังกิริถะเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมองอะตัวนั้นปฏิเสธก็คือจิตที่ไม่เศร้าหมองสุขติก็หวังได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตอนที่เราเครียดจัดเลยนะแล้วหัวใจวายแล้วก็จุติตอนนั้นเลยนะอย่าไปคิดว่าใครแช่งให้ไปตกนรกนะกนะใครแช่งใครล่ะกันนี้ เพราะฉะนั้นไอ้อกุตสละจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างชั้นแรกเบียดเบียนตัวเองก่อนเนี่ยนะแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วยเนี่ยใครไปเอาเยี่ยงอย่างก็เสียหายอย่างเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นต้นเนี่ยนะมันก็อย่าไปแช่งชักเลยนะอย่าไปทําบาปทำกรรมให้ตัวเองนักเลยอย่างเงี้ยนะถ้าโกรธทีหนึ่งก็โอ้เนี่ยนะจะสร้างทุกข์ให้ตัวเองอีกไปถึงไหนอย่างเนี้ยนะไอ้ทุกข์ที่ผ่านมาก็น่าจะพอแล้วหรือว่ายังไม่ถึงใจอ่างเงี้ยต้องหนักกว่านี้อีกหห่อยรืปลา ก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนาะน่าจะเพียงพอแล้วเหมือนกันผ้าอรหันทั้งหลายนเนี่ยนะที่ไม่ไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรงที่ยังล ะ, ะวาสนาไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ละวาสนาได้หมดแล้วนเนี่ยนะทีนี้ต่อไปผ้าอรหันในที่สองก็คืออะไรทลายค่าศึกคือกิเลสเนี่ยนะค่าศึกภายในศัตรูภายในอมมิตรภายใน เนี่ยนะเราเคยคิดไหมว่าโอ้จิตเป็นอากุศลทิ้งอันตรายภายในได้เกิดขึ้นแล้วว่างั้นเถอะศัตรูได้ระดมพลเนี่ยนะ ย, ยึดหัวขาดได้หมดแล้วเนี่ยนะสจิตของเราเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวแล้วเขาบอกว่าจิต ม, มีใจเป็นของตนเนี่ยนะคำว่าใจมีใจเป็นของตนก็คือจิตที่เป็นไปกับกุศลนี่เขาเรียกว่ามีใจเป็นของตนถ้าหากว่าจิตเป็นไปกับอกุศลเนี่ยจะเรียกว่าของตนได้ไหมไม่ได้มันของกิเลสไปแล้วเนี่ยนะ ถ้าเป็นของตนจริงๆก็ต้องให้ผลอะไรที่มันดีๆนะจึงจะเรียกว่าของตัวอะไรที่มาทําลายตัวนี้จะเรียกว่าของตัวได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลจิตถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทําลายตัวเองโดยตรงเลยนะเป็นปาปะมิตรภายในฆ่าสพภายในศัตรูภายในว่า ง, งั้นเหรเหมือนกับสนิมเนี่ยนะเวลามันเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่เหล็กนะเกิดที่ตัวเหล็กเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อทําลายเหล็กชั้นใด อ, อากุสุลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะราคาโทสะโมหะอิชามัชเริยะเป็นต้นเนี่ยเมื่อเขาเกิดขึ้นในจิตก็เพื่อทําลายจิตอันนั้นนั่นแหละตอนพระพุทธเจ้าทําลายอากุศลชนิดนั้นได้หมดแล้วพอพูดถึงว่าเอออกุศลจิตเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมันเพื่อทําลายบุคคล น, นั้นๆจริงๆเลยนะทาให้นึกถึงในเปรตญาตพระเจ้าพิมพิสารนะนะว่าในอดีตชาติเนี่ยนะไปไปริษยากันเองริษยากันแล้วก็ ไปกินของสงกันนะกินของสงแล้วก็ทําลายของสงเสียหายมากตกนรกอยู่เก้าสิบสองกับจากนรกสูนยนรกนรกสูนนรกนรกสูนนรกนี่ไงนะเก้าสิบกับเนี่ยนะเสร็จแล้วมาเป็นเปรตอีกเป็นพุทธันดอนเลยนะพุทธันดอนหนึ่งเนี่ยนะก็คือแผ่นดินเนี่ยจะสูงประมาณสิบหกิโมตรเนี่ยนะเรียกหนึ่งพุทธันดรประมาณนี้นะคือแผ่นดินเนี่ยนะมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะถ้าใครอยากรู้ของเก่าต้องขุดเอา ทนี้ไอปริมาณการสูงขึ้นของแผ่นดินเนี่ยก็ไปวัดเอาว่าถ้ามันสูงประมาณสิบหกิโลเมตรนั่นแหะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์หนึ่งเนี่ยห่างกันขนาดนี้ประมาณแผ่นดินสูงโยอดหนึ่งเท่านั้นยชดหนึ่งก็สิงประมาณสิบหกกิโลเมตรนั่นเองแล้วมันกี่ปีหล่ะก็คํานวณไปกี่พันล้านปีก็เจ็ดร้อยปีเนี่ยนะแผ่นดินก็จะสูงประมาณประมาณกี่เมตรนะ่ะจะดีหลวงที่เขาขุดอ่ะนะแผ่นดินก็จะสูงขึ้นเนละ ถ้าถ้าเจ็รอปีเนี่ยมันสูงกี่เมตรก็คำนวณไปตามนั้นไปว่าต่อไปเนี่ย พ, พระศรีอานจะมาตัสรู้เนี่ยอีกกี่ปีก็คนในระหว่างเนี่เชื่อตายเกิดอีกกระดูกกองโตเผอินเทินทึกกว่าพระศรีอานจะมาเนี่ยนะแต่ของมามไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะห่วงว่าไอ้ระหว่างนี่ไปอยู่ทํากรรมอะไรกันนี้ถ้าเกิดในระหว่างนั้นพลาดไปเกิดเนี่ยนะสมมตินะไปทำมานันตริยกรรมเขาฆ่าพ่อฆ่ า, า, า, าแม่ หรือไปฆ่าพระปเจ ก, กับพรุทธเจ้าหรือไปเป็นมิจฉาทิฏฐิในระหว่างนี่นะจบกันเลยภาษซีอ่านมาอีกเจ็องค์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะว่าทําลายตัวเองไว้ก่อนอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ชาตินี้นะได้ฟังพระธรรมบ้างก็พอดีแล้วเนี่ยนะแต่ชาติต่ อ, ตอไปนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน่าจะแย่วิชาพุทศาสนามีอยู่ที่ไหนบ้างเอา้าเนี่ยนะแค่ให้มีวิชานั้นก่อนนะไม่ต้องพูดว่าใครเรียนบ้างนะค่อยวไาว้พิง มนถ้าใครมาเกิดยุคหน้าเนี่ยมาบวกลบคูณหานก็บวกไปคแต่ทีนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นเนี่ยตามมาอีกเป็นร่วนแล้วถ้ามนุษย์ต่ํากว่าร้อยปีไม่ต้องห่วงว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นยุคสมัยที่มิจฉาทิฐิหนาแ น, น่นที่สุดเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องห่วงถ้าใครมาเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้านี่ก็ก็เตรียมทําบุญเผื่อไว้เยอะหน่อยนะจะได้ไปทุกแตตอนไปทําบาปก็จะได้อกุศลมาให้ผอแล้วก็จะได้พอมีอยู่มีกินบ้างละงั้น เพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลนั้นนั่นแหละเหมือนกับขุ้ยไผ่เนี่ยนะมันเกิดมาก็เพื่อฆ่าต้นไผ่ใช่หมอันนันไอ้ลูกมาอาะอัสดรมันเกิดขึ้นก็เพื่อฆ่ามาอาะอัสดรเนี่ยไอ้โลพะโทสะโมหะเวลามันเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดก็ทําลายบุคคลนั้นเนี่ย น, นะทำลายอย่างจริงๆอย่างมหาศาลเนย น, นะเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษมหาศาลไอ้ทิศ ผิดนั้นก็ด้วยอํานาจของอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะเพราะระารหัารเนี่ยนะพระพุทธเจ้าชื่อว่าภาทหารเพราะทําลายสิ่งเหล่านี้ได้หมดเกลี้ยงแล้วนะเชื้อที่จะให้ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอิจฉาริษยาเป็นต้นเนี่ยในจิตของพระองค์ไม่มีอีกต่อไปแต่ว่าทําลายด้วยอะไรด้วยอริยมรรคนะทาไม่ใช่ระดับอริยมรรคแล้วไม่สามารถที่จะทําลายกิเลสได้เป็น สมุทเฉทถะทหารได้เนี่ยนะทีนี้อ ร, ริยมรรคจะเกิดได้เนี่ยเกิดได้เพราะอะไรเพราะทําลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักระรหารในยะที่สามก็คือหักซี่กรรมแห่งสังสาระจักรสังสาระจักมีอะไรเป็นซี่มีอะไรเป็นซี่กรรมมีสังขารเนี่ยนะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเป็นซี่กรรมมีอะไรเป็นดุม มีวิชาเนี่ยเป็นดมเนี่ยนะมีอะไรเป็นกงกงคือที่สุดรอบมันนะวงล้อนะมีอะไรเป็นวงล้อรอบนอกมีชราและมรณะเป็นที่สุดรอบเพราะฉะ น, นชีวิตของเราจริงๆเวลาดำเนินไปมันกระทบแต่ชรามรณะตลอดเลยนะมันก็หมุนไปสู่ชราและมรณะตลอดเนี่ยนะโดยที่มีตัวสีกรรมคือกรรมนะตัวสีกรรมคือกรรม คือเจตนากรรมเนี่ยนะเป็นซี่ส่งมาให้สู่ชรามรณะซึ่งดุมของไอซี่กรรมอันนั้นก็คืออวิชชาแล้วก็มีอะไรร้อยเข้าไว้ที่เป็นเพลาวนะเป็นเพลาเนี่ยก็คืออาสวะสมูทัยนั่นนะแล้วประกอบไว้ในตัวรถคือพบสมแล้วก็แล่นไปอย่างนี้ไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าจบเมื่อไร่ไม่มีสิ้นสุดว่าจะจบเมื่อไหรคนที่จะจบหรือว่าจะหยุดไอซี่กรรมอันนี้ได้เนี่ยนะก็คือด้วยการ ทำลายรถอันนี้ซะทำลายซี่กรรมอันนี้ถ้าหากว่าทำลายได้พบสามก็จะขาดการสืบต่อแต่ว่าถ้าไม่ทำลายนะมันจะสร้างคันใหม่ไปเรื่อยๆๆๆๆนะทำลายคันนี้ซื้อคันใหม่เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยนะที่ต้องใช้รถนะใช้คันเก่าพังไปซื้อคันใหม่ใช้พังไปซื้อใหม่ไปอย่างนี้เรื่อยไม่มีจบมีเส้น อย่างไอชรามรณะในโลกเนี่ยนะถ้ามันเสื่อมสลายไปเอกระวังนี้มันทํากรรมเบ็ดเสร็จหมดแล้วสํานวนว่าหาทุนหารอนซื้อรถใหม่ไ้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจะรถยี่ห้อเท่าเดิมหรือเปล่างามเท่าเดิมไหมใช้ดีเหมือนเดิมไหมอีกเรื่องหนึ่งนะตามแต่ว่าเลือกเอากันละกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทําลายไอเชื่ออันนี้ได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะหักซี่กรรมแห่งสังสารจักอันนี้หมดแล้วอันในส่วนนี้จะเคะขึ้นรายละเอียดในปฏิจจสมุปาทต่ออีกหน่อย พูดถึงอวิชชาใช่ไหมอวิชชาก่อนคําว่าอาวิชชานั้นอะตัวนี้หมายคำว่าไงอะตัวนี้หมายคำว่าไงอวิชชาอะคือถ้าโดยธรรมดาแล้วนะวิชาเนี่ยแปลว่าความรู้ในอริยาศาสตร์ทั้งหลายความรู้ในทุกทุกขสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถาคำมีนิปติปทาถ้าอา่ะตัวนี้เนี่ยแปลว่าปฏิเสธปฏิเสธวิชาไม่ใช่ปฏิเสธธรรมดานะ เป็นศัตรูต่อวิชาด้วยเนี่ยนะเป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์เป็นฆ่าศึกเพื่อทําลายวิชาโดยตรงเนี่ยนะเพรา ะ, ะนันอวิชชาในฐา น, นะเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูแล้วก็เป็นปฏิปักษ์อวิชชาอันนี้เป็นปฏิ อ, อวิชชาแล้วแต่ว่าอาวิชชาถ้าเกิดในภพไหนถ้าอาวิชชาในการมาภพก็ทําให้เกิดสังขารในการมาภพเนี่ยนะอวิชชาแล้วก็ต่อด้วยสังขาร ถ้าสังขารในการมาพบเนี่ยได้แก่เจตนาเท่าไหร่เจตนาในการมาพบเนี่ยนะได้แก่เจตนา20เจตนาในรูปประพบได้แก่เจตนา5เจตนาในอรูปประพบได้แก่เจตนาเจตนา4เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสังขารทีนี้เจตนาในการมาพบเนี่ยนะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากายสังขาร ถ้าท้าล่วงมาเป็นกายวิญญาตเรียกว่ากายสังขารถ้าล่วงมาเป็นวจีวิญญาตเรียกว่าวจีสังขารถ้าไม่ทำวิญญาตทั้งสองเลยเรียกว่าจิตตสังขารส่วนฌานจิตทั้งหลายเป็นจิตตะสังขารอย่างเดียวส่วนอรูปฌานทั้งหลายเนี่ยนะเจตนาเป็นจิตตะสังขารอย่างเดียว ส่วนที่เป็นกายะสังขาร น, นะถ้าปุติชื่อหนึ่งก็ทั้งยี่สิบดวงนั่นแหละวจีสังขารก็ยี่สิบจิตตสังขารก็ทั้งยี่สิบนั่นแหละเดี๋ยนะทีนี้ในยี่สิบนี้ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งก็เท่าไหร่สิบสองอีกกลุ่มหนึ่งก็แปดในกลุ่มที่สิบสองนี่นะก็ดูกายกรรมกายกรรมเท่าไหร่ กายกรรมสามวจีกรรมสี่และก็มโนกรรมสามทำไมจึงยกอันนี้มาเพราะเน้นส่วนที่สามารถให้ปฏิสนธิได้เนี่ยนะที่ยกกายกรรมสมวจีกรรม4ี่มโนกรรมสามที่ครบองค์คือเจตนาที่สามารถให้ผลนำเกิดได้เนี่ยนะเน้นไอต้ตั ว, ต, ว, ต, วตัวที่นาเกิดได้ตัวที่ไม่นำเกิดนี่ไม่ใช่ไม่ให้ผลนะ ให้ผลแต่ให้ผลในในประวัติการทีนี้ส่วนของมหากุศลนแปดก็แบ่งเป็นไปในส่วนของเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนาทานก็แบ่งออกเป็นในส่วนของกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมแต่และส่วนเนี่ยนะอันใดอันหนึ่งเนี่ยให้ผลปฏิสนธิได้หมดเลย ปฏิสนธิได้หมดเลยปฏิสนธิของอบายเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสายของนรกแล้วก็เปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานเนี่ยนะในส่วนของปฏิสนธิในสุขติก็แบ่งออกเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาอีกหกชั้นเนี่ยนะอันนี้พูดถึงปฏิสนธิจิตก่อนนะ พูดถึงปฏิสนธิที่เกิดขึ้นในภพใหม่ตรงที่ขับเน้นเรื่องปฏิสนธิมากมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของของชีวิตในภพนั้นๆเนี่ยน ะ, ะแล้วก็เป็นตัวแบ่งประเภทว่าอะไรเป็นอะไรก็ดูตั้งแต่แรกปฏิสนธิปฏิสนธินี้นับโดยจิตมีกี่ดวงปฏิสนธิในภพต่างๆเนี่ยนะโดยจิตมีกี่ดวงทั้งหมดเลยนะรวมๆแล้วมีเกดวงแต่ถ้าเฉพาะกามปฏิสนธิมี เเอ่อสิบดวงเห็นไหมการปฏิสนธิที่มี10บดวงคือปฏิสนธิในอบาย4ี่นั้นอ่ะด้วยจิตหนึ่งดวงคืออุเบกขาแล้วก็อุเบกขาสันติรณะหนึ่งดวงส่วนมนุษย์กเทวดานั้นปฏิสนธิที่ด้วยจิต9้าดวง9้าดวงก็ประกอบไปด้วยหนึ่งอุเบกขาสันติรณะกับมหาวิบาศ นี่นะนำปฏิสนธินำปฏิสนธิทีนี้ปฏิสนธิในภพต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะปฏิสนธิจิตจะเกิดโด ด, ดได้ไหมเกิดได้ไหมปฏิสนธิจิตไม่สามารถเกิดโด ด, ดได้ต้องอาศัยอะไร<ส>ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นต้องอาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยนะถ้าหากว่าในาอบายมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยบวกมาเลยว่าอัญญสัมนาเจตสิกเจ็ดดวงเนี่ยแน่นอน แล้วก็วิตกวิจารณกับอธิมโมกเอกสามดวงก็เป็นเจตสิกเกร่วมด้วยสิบดวงมั้นมีอย่างอื่นอีกไหมมีอีกอย่างไหมอาธิมโมกเหน็นไหมจำได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นมหาวิบากมหาวิบากนะสพณะถ้ามหาวิบากโสพณะสาธารณะสิบเก้ามาเลยแล้วก็อัญญสัมนาเจตสิก ในส่วนที่เป็นสัพพจิตะสาธารณเจตสิกเจ็ดะกินอากาศเจตสิกหกเนี่ยนะอันนี้เกิดแน่นอนไงนะถ้าเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะถ้าดวงอื่นๆก็อาจจะหักปีติออกไปเป็นต้นนั่นเองอนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เท่าไหร่ส2สองสามสิบสองถ้ามีปัญญาประกอบบวกปัญญาอีกหนึ่งเป็นสามสิบสามเพราะฉะนั้นคำว่านามได้แก่เจตสิกที่เกิดร่วมด้ว ย, ยนะ สามสิบสามดวงถ้าเป็นพรมนะพิเศษเพิ่มกรุณากับมุทิตาเจตสิกเข้าไปเอกก็เป็นถ้าสามารถผู้รวมรวมมีประมาณส5สิบห้าดวงเนี่ยนะผู้รวมรวมนะนามเนี่ยสสบห้าและกรรมมชรูปกี่กลุ่มกรรมมชรูปทั้งกับจักขุโสตคานะเชิวหากายและหาทยเนี่ยนะคำว่านามรูปเนี่ยนะที่เราจะเข้าใจว่า รูปกี่กลุ่มเนี่ยนะให้เอาปฏิสนธิมาเอากําเนิดมาจับถ้าเกิดในคันเกิดในคันก็ต้องมีมีอะไรบ้างกายะทัศกะภาวะทะะัศกาแล้วก็หัตยะทัศกะเนี่ยนะสามแต่ถ้าเกิดในไข่ก็เหมือนกันเกิดในไข่ก็คือภาวะทัศกะหัตยะทัศกะแล้วก็กายะทัศกะแต่มีนะบางกลุ่มไม่มีภาวะทัศกะหรอกพวกขาดภาวะทัศกะก็มีนะ แต่พวกนี้หรือบางทีเนี่ยนะมันมีอีกแปลกๆอย่างหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นข้างข้างขึ้นเป็นผู้หญิงข้างแรมเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีพวกอุปโตพยามชนก อ, อย่างนี้ก็มีของเราอาจจะเรียนไม่ถึงเลยยังไม่เคยเห็นนะ่นนะแต่ว่าในวิในเนี่ยมีก็พระโสะระยะเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างพระโสะระยะเนี่ยไปเห็นพระมหากาจยะนะรนี่รูปงามบ้างบอกเออมีเราน่าจะงามแบบนี้นะแต่ก็คิดอย่างเงี้นะ มีเราหน้าหรือเราน่าจะได้พันยางงามแบบนี้คิดไปคิดมาเลยเป็นผู้หญิงไปเลยคะนีะ่สามารถเป็นได้นะก็ถ้าสมัยใหม่ก็ไปแปลงเพศอะนะไม่รู้จะเป็นเหมือนร้อเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่กําเนิดนี่นะเป็นส่วนที่สําคัญมากเป็นตัวที่มาจัดว่ารูปเรกเกิดเนี่ยมีกี่รูปถ้าเกิดในครนนะรูปสามกลาบสามกลาบสามกลุ่ลลลมแรกที่เกิดขึ้นคือกายทัศกะภาวะทัศกะแล้วก็ อัธยา ท, ยทักะเนี่ยนะกายภาว ะ, าะอัธยาสองตัวนี้มีแน่นอนกายกับกายกับอัธยายังไงต้องมีแน่นอนภาวะนี่ไม่แน่เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยตาแน่ไหมต้องมีตาแน่นอนไหมไม่แน่นอนจกักรูไม่แน่นอนนะเดี๋ยวไม่ได้เอารูปมาคุณเวลาวันจะได้เห็นว่าบางคนไม่มีตาเนะี่ยมีแต่ปากเฉยๆนี่นะ มีหมีหัวมีหูไม่มีอะไรมีแต่ปากเนี้ยมีแต่ว่าอาจจะอยู่นานหรือไม่นานอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอย่างนั้นก็มีเสร็แล้วหูมีแน่นอนไหมหูก็ไม่แน่จมูกแหละจมูกก็ไม่แน่ลิ้นนะ่ะลิ้นเนี่ยนะไม่แน่นั่นไงนะจอระดเคนมีลิ้นหรือเปล่า เขาว่าไม่มีนะของมาก็เขาว่าไม่เคยอ้าบตังเดินเลิกเองเขาว่าไม่มีนะจระเข้ไม่มีลิ้นใช่ไหมาาาาตาหูจมูกลิ้นไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่แต่กายกับหัยะนี่มีมีพบอยู่บางพบนะเช่นเปรตเปรตเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นไม่มีมีแต่ชิ้นเนื้อโดดโ ด, ดเนี่ยนะมีแต่ชิ้นเนื้อเรียกว่ามังสุไอ้มังสะเปรตเนี่ยนะเป็นก้อนเนื้อเฉยๆนี่แหละ มีหรือมีแต่โครงกระดูกแค่เฉยเนี่ยก็มีก็นับว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเนี่ยนะมันเวลาแต่ก็ร้องได้เหมือนกันที่ว่างันร้องหงุดหงนเหมือนกันทีว่างันเวลาที่สัตว์มาจิกมาตีเนี่ยน ะ, ะที่พูดนี้ไม่ใช่พูดในเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะเพราะอะไรเพราะพูดถึงถ้าปฏิสนธิเนี่ยหมายถึงตามปฏิสนธินรกโอ้นั่นนรกมีกี่ละมีกี่ขุมอ่ะมีนรกเนี่ยนะใหญ่ๆมีแปดขุมแล้วแต่ละขุมเนี่ยมี เขากระจายออกไป4ทิศก่อนนะมี4ทิศอ่ะ น, นะคุ้มใหญ่ๆเนี่ยเช่นอเวจีเนี่ยมีบริวารแบ่งเป็นอุตสุธานรกไป4ทิศแล้วใน4ทิศยังมีบริวารย่อยๆเข้าไปอีกนะก็เหมือนกับสมมุติว่าเมืองไทยใช่ไหมยังแบ่งภาคไปอีกอะ่ะแล้วภาคก็ยังแบ่งไปเป็นจังหวัดอีกเพราะฉะนั้นนรกเนี่ยมีหลายร้อยคุ้มในส่วนของนรกนะแล้วก็เปรตมี12ประเภทเนี่ยนะแล้วก็อสุรกายก็มีอีกหลายประเภทเดราชาเนี่กี่ประเภทนเนาะ ไม่วาดไม่ไว้เอาตระกูลไหนดียนนน อ, อ, อย่างนี้นะสัตว์น้ํามากกว่าสัต์บกอะงั้นเนี่ยแล้วก็เทวดานะเทวดาก็ยังมีหลายประเภทนะเทวดาอีกหลายประเภทเพราะฉะนั้นพวกที่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในสังเสริชาเนี่ยนะสังเสริฐชาสังเสทชาเนี่ตระกูลไหน ท, ที่ที่ที่มันเกิดในพวกแฉะแฉะอะไรนั่นะนะถ้าองค์ประกอบไอ้แฉะแฉะบางอย่างปฏิสนธิเกิดได้อันนั้นแหละเรียกว่าตระกูล สังเสรธชาว่างั้นเนี่ยนะก็พูดถึงว่าในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคนเยอะๆอ่านตรงนี้แล้วรับไม่ค่อยได้คือเรื่องอดีตชาติของนางอุบลวรรณนาเนี่ยนะนางอุบลวรรณนาเขามีลูกชายอยู่คนนึงอดีตชาตินะชื่อตอนนั้นเกิดเป็นนางปฐุมวดีนางปฐุมวดีเนี่ยคลอดลูกออกมาชื่อว่ามหาปฐุมเนี่ย น, นะไอ้เลือดที่มันออกมาเนี่ย น, นะเลือดอันนั้นนะกลายเป็นเด็กทารกอีก499 นะไอ้ไอไอไกลุ่มเลือดที่ที่มันออกจากคันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนั้นเป็นสังเสรชะแต่ทั้งหมดนั้นก็นับว่าเรียกเรียกโดยชื่อว่าลูกของนางปฐุมบดีเนี่ยนะแล้วตอนหลังเนี่ยนะเด็กทั้งห้าร้อยเนี่ยก็บรรลุเป็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้าเนี่ยนะบรรลุเป็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พวกอย่างหนึ่งก็เพศโอป ป, ปาติกะนะพวกที่ขุดโตขึ้นทันทีเลยนะ อ่าเช่นนรกก็โตขึ้นทันทีเลยนะพระเทวทัศ์เนี่ยปรากฏนั้นเป็นหนุ่มทันทีเลยอย่างเงี้ยนะเพราพวกนรกหรือว่าเดรฉานบางเหล่าก็เป็นโอปปาติกะเนี่ย น, นะมนุษย์บางยุคบางยุคนะเช่นอ่ายุคที่กลับเริ่มเกิดใหม่ๆก็เป็นโอปปาติกะแล้วว่าเทวดาจาตุมนี่ไม่แน่นอนนะพวกพมเทวดาก็เกิดในครันเหมือนกันก็มีกุมารมีอะไรเหมือนกัน เป็นลูกเทวดากุมารเทวดาอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะถ้าจ่าตุมเนี่เป็นเกิดในครันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอากาศเทวดาแล้วไม่เป็นไม่เกิดในครันเขามีหลักอยู่ว่าถ้าเกิดบนตักเป็นลูกเนีย่ยนะถ้าเกิดบนที่นอนเป็นแม่บ้านไงนะถ้าเกิดบริเวณบ้านเป็นคนใช้อะเนี่ยเขาก็มีที่เกิดนะถ้าใครมาเกิดจาบริเวณนั้นก็จะมีตำแหน่งอะไรตามนั้นไปเนีย่ยนะถ้ามาเกิดในตักเป็นลูกอะไรแบบเนี้เนี่ที่ท่านเกิดในดอกบัวใช่ตั้นแต่ว่า ส่วนของกรรมมชรูปนะไม่แน่นอนคือหนึ่งภาวะสองตาสามหูสี่จมูกห้าลิ้นอันนี้ไม่แน่นอนขาดเกินก็นับตามจำนวนนั้นะนะถามว่าในในส่วนเหล่านี้เนี่ยนะอะไรเป็นตัวกาหนดในชั้นแรกเลยในชั้นแรกนะอะไรเป็นตัวกาหนดพวกนี้เป็นกรรมมชรูปเป็นกรรมมชรูปกรรมก็คือกลุ่มเนี้ยนะ กลุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวกําหนดพวกนี้แต่ว่ารูปเหล่านี้จะเกิดได้ต้องอาศัยสายสําคัญที่สุดเนี่ยนะคือปฏิสนธิจิตนี่นะปฏิสนธนะิจิตก็สําคัญต่อต่อรูปเหล่านี้ทั้งหมดเลยปฏิสนธิจิตนับสําคัญมากในในแรกปฏิสนธินะแต่ว่าหลังจากนั้นแนละ้วกรรมเป็นตัวก่ออย่างเดียวแต่ถ้าในาปฏิสนธิ รูปกลุ่มนี้ทั้งหมดถือว่าเกิดจากจิตเป็นประมาณเรียกว่าตัวเขาเป็นกรรมมชรูปแต่เกิดจากจิตเป็นปัจจยัยด้วยอำานาจเหตุปัจจยัยนะมันเป็นสหาชาตชาติเนี่ยนะนะถือว่าเกิดจากจิตเป็นปัจจยัยแต่ว่าตรงๆเขาเป็นกรรมมชรูปแต่รูปกลาปะอื่นๆที่เกิดตามลงมาอันนี้สมมติอันนี้เป็นกลาปะที่หนึ่งถ้ากลาปะที่สองที่สืบเนื่องมาจากพวกนี้นะหัตยะเนี่ย กายภาวะหัยะเกิดทุกอนุขณะของจิตอันแรกเกิดครั้งแรกถือว่าจิตเป็นปัจจัยแต่ว่าขณะที่สองเป็นต้นมาเนี่ยนะสมมติว่าในจิตหนึ่งดวงเนี่ยนะประกอบไปด้วยอุปาทะถีติพังคะปาทะถีติแล้วก็พังคะอุปาทิฏขณะก็มีกรร ม, มชรูปเกิดหนึ่งกลุ่มทีติขณะก็กรร ม, มชรูปเกิดอีกแล้วก็พังคะขณะ กรรมชรูปก็เกิดอีกกลุ่มเนี่ยในปฏิสนธิจิตเนี่ยนะอันนี้ถือว่าจิตเป็นปันจจัยที่สําคัญที่สุดแต่หลังจากนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าเกิดจากกรรมอย่างเนี้ยตรงนี้เกิดจากกรรมก็เกิดทุกอนุข ณ, ณะจิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกอนุณขณะจิตกรมมรมชรูปเกิดตลอดเลยหลังจากนั้นหลังจากนี้มาชื่อว่ามีกรรมเป็นปันจจัยแต่ว่าแรกปฏิสนธิที่อันนั้นถือว่ามีจิตเป็นปันจจัย ทีนี้นามกับนามกับรูปอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดอายตนะถ้าพูดรวมรวมแล้วในกา ม, มาุกกามทั้ง11ภูมิเนี่ยนะประกอบด้วยอายตนะคืออะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายกับใจอายตนะ6เลยนะอันนี้พูดแบบเต็มอ่ะนะแต่ก็บกพร่องก็ตามสมควรแก่ บุคคล น, นั้นนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะเพราะว่าเทวดาที่พิการก็มีอยู่นะเทวดาจาตุมเนี่ยมีพิการอยู่แต่ถ้าจาตุมระดับภูมิเทพนะแต่ถ้าเป็นพวกอากาศเทวดาไปแล้วเนี่ยที่พิการไม่มีแต่ว่าปฏิโซนที่ด้วยมหาวิบากดวงที่แปดก็มีอย่างเงี้นะเทวดาที่มีบุญไม่มากนักว่า ง, งั้นนะหรืออาจจะ ก, กุศ ล, ลจิตมหากุศลดวงที่แปดไปให้ผลนําเกิดอย่างเงี้ยนะก็ฉลาดน้อยกว่าพวกว่า ง, งั้นเถอะ ทีนี้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เรียกว่าอะไรสลายตนะส ล, ตนะสลายตนะมีนามกับรูปเป็นปัจจัยอันที่จริงคำว่ารูปตัวนี้เนี่ยนะรูปบางอย่างเป็นตารูปบางอย่างเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายแล้วก็เป็นใจแต่คำว่ารูปเนี่ยกว้างกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจถามว่ากว้างกว่ายังไง เพราะคำว่ารูปนี้บ่งถึงมหาพูดด้วยมหาพูดบางอย่างนี่นะความใสของมหาพูดบางอย่างเรียกว่าจักรคประาษาท่ความใสของมหาพูดบางอย่างเรียกว่าโสต่าภาษาท่ความใสของมหาพูดบางอย่างเรียกคานะภาษาท่ความใสของมหาพูดบางอย่างเรียกชิวหาภาษาทะความใสของมหาพูดบางอย่างเรียกกายยะภาษาท่ความใสของมหาพูดบางอย่างเป็น หาทะยะเนี่ยนะมหาพูดบางอย่างเป็นปัจจัยเรียกว่าภาวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเป็นรูปหลักของของตรรมไม่สรูปทั้งหมดเลยสมมติว่าปฐวีอาโปเตโชแล้วก็วายโย อ, อันนี้รูปเป็นหลักเขาเป็นประธานเขามีเท่านี้แหละทีนี้รูปหลักรูปเป็นประธานเนี่ยแล้วแต่ว่ามาจากปัจจัยใดตรงนี้เราเน้นมาจากการรมะปัจจัย กรรมมาปัจจัยตัวเนี้ยมาเป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปมหาภูตรูปเหล่านี้ยจึงมาเป็นปัจจัยให้แก่ตาหอ้มอกเลนกายแล้วก็หายไปจนหาทยะภาวะชีวิตชีวิตก็อยู่พวกอนุบาลพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็มีด้วยนะชีวิตมหาภูตเนี่ยนะเป็นปัจจัยหลัก เพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะทําลายพวกนี้ทําลายตาก็ทําลายที่มหาพูดกลุ่มหอย่างเนี่ยนะท่านใช้คําว่าภาษาธาภาษาท่านี้โดยสัพเพ ว, ว่าใสความใสพิเศษที่เกิดจากมหาพูทมหาพูดซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยมหาพูทซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยนี่แหละทำให้เป็นภาษาทะทีนี้กรรมบางอย่างมันสามารถทําให้เห็นได้ กรรมบางอย่างเนี่ยนะทำให้ความสายสามารถรับเสียงได้บางอย่างทำให้สามารถรับกลิ่นได้อย่างเดียวบางอย่างรับรสได้อย่างเดียวบางอย่างรับโพธพระได้อย่างเดียวก็คือปภาษามหาพูดแล้วก็กรรมถามว่าอะไรเป็นตัวจำแนกกรรมให้มหาพูดเป็นอย่างนี้นะกรรมเนี่ยมาทำให้มหาพูดเป็นอย่างนี้แล้วมหาพูดมาเป็นตาหูจมูกเล่นกายใจอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนมาอีกทีระบบอันนี้ใครควบคุมตันหา ตันหาเนี่ยนะเป็นตัวควบคุมกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวกําหนดกรรมว่ากรรมจะให้ผลเป็นเช่นถ้าตันหาประเภทตันหาในรูปเนี่ยนะรูปประตันหาโอ้สีงามมากเลยนะตันหาตัวนี้เป็นปัจจัยให้กรรมกรรมอเนี้ยแปลมาเป็นตาถ้าสาธาตันหาตันหาที่ชอบเสียงตันหาเนี้ยเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมเนี้ยเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดก็เป็นปัจจัยแก่หู มันก็ระบบมาเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะถ้าตันหาชอบในกลิ่นนะในกลิ่นหอมเนี่ยโอ้โหชอบมากเป็นคันถ้ตันหาไอ้ตันหาอันนั้นอ่ะเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมก็เป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดก็เป็นปัจจัยแก่จมูกเนี่ยนะก็ลักษณะนี้ทั้งหมดเลยถ้าตันหาที่ชอบสมมติถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายอันนั้นเรียกว่าตันหาในภาวะที่ภาษาทางธรรมใช้คําว่าธรรมะตันหาชอบในภาวะนะชอบตรงกันข้าม ตันหาอันนั้ น, นเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยแก่กรรมเป็นปัจจัยแกม่มหาพูดมหาพูดก็เป็นปัจจัยแก่ภาวะรูปเหตนหนึ่งที่ผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายเสมอไปหรือว่าค่อนข้างยาวก็เนื่องจากอชอบผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเสมอไปก็ชอบการแต่งตัวแล้วก็ชอบผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงไปอีกยาวแต่นี่ในขณะเดียวกันนี่นะถ้าผู้หญิงไปเป็นผู้ชายนเนี่ยนะก็ต้องทาบุญและตั้งความปรารถนาจึงจะได้เป็น แต่ถ้าผู้ชายไปเป็นผู้หญิงมายากการเมสุมิฉาจานบ่อยๆก็เป็นยังไงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะจะชอบผู้ชายจะชอบที่จะเป็นผู้ชายอีกยากเนื่องจากอะไรชอบการแต่งตัวเนี่ยนะผู้หญิงอย่างหนึ่งไม่อิ่มในการแต่งตัวก็ยินดีในความเป็นผู้หญิงเพราะนั้นก็ยากที่จะได้ไปเป็นผู้ชายแต่ก็มีนะบางคนเขาก็ทําบุญเขาก็ตั้งความปรารถนาจะให้เขาเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยนะอยากบวชจะเกินะเออยม บ, บางคนเขาว่างงั้นแหะ เขาเขาทำบุญนะเขาแอบตั้งความปรารถนาเขาไม่เล่าบอกใครแต่คนอื่นเขยังรู้ได้เลยนะนะก็คือเขาบอกว่าเขาเขาเบื่อและชีวิตครอบครัวแบบนั่นนะเขาอยากเป็นผู้ชายอยากจะไปบวชแล้วรำว่างั้นเขาก็ทําบุญเขาก็ตั้งความปรารถนาเป็นผู้ชายนะแล้วคนเนี้ยพอนานๆเข้าลักษณะนี่นะแม้แต่พฤติกรรมในชาตินี้เป็นผู้ชายไป7จ็ดแดซน ะ, ะแต่ก็แต่เขาก็มีครอบครัวนะแต่ตอนหลังเขาดูแลครอบครัวเองหมดเลย พอตอนหลังก็จิตใจก็แต่ถามว่าถ้าเขากุศลอันนั้นเนี่ยนำเกิดเป็นผู้ชายได้ไหมเน่ยที่เขาทำเนี่ยเป็นได้นะเพราะว่าเขาชิงชังในความเป็นผู้หญิงละแต่บางคนที่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะถึงไม่อยากเป็นผู้หญิงแต่ถ้าผิดการมเมย์ก็เป็นได้อย่างพระนรนี้ก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะส่วนในคัมภีชินกาลมาลินีเนี่ยนะชินกาลมาลินีเนี่ยเป็นคมภีที่รจนาในในเขตล้านนาเรานี่แหละนี่นะพระรัตนะอะไรนะเอ่อ ปัญญาลัตตนาเรื่องอะไรเป็นคนแต่งะนะจำชื่อไม่แน่ชัดละท่านเล่าว่ า, วาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตอนที่ตั้งความป่าถนาข้างแรกไง น, นะเป็นมโนปณิธานเนี่ยนะมโนปณิธานเนี่ยแล้วตั้งความป่าถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะถัดมาจากนั้นชาติหรือสองชาตินี่แหละไปผิดกามเมผิดกามเมแล้วก็ไปเป็นผู้หญิงเนี่ยนะพอ ไ, ไปเป็นผู้หญิงตอนหลังก็เบื่อหน่ายตั้งความป่าถนามาเป็นชายใหม่ เสร็จแล้วก็มาบำเพ็ญโพธิยานไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนมาถึงวจีปณิธานมาจนถึงกายวจีครบบริบูรณ์แล้วจึงมาตั้งความปารธนาแทบบาปมูลของพระภา พ, พทิปังกรนเนี่ยนะถ้ชชชานนชอบก็เป็นได้นะก็เป็นได้แต่ก็ส่วนหนึ่งที่ชอบนะอุปนิสัยที่มาจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยด้วยส่วนหนึ่ง เนี่ยอุปนิสัยอันนั้นเข้ามาเนี่ยนะคือต้องไม่ลืมว่าในระบบของสังสารวัตไม่ใช่กรร ม, มะปัจจัยตัวเดียวตัวปัจจัยที่สําคัญที่สุดคืออุปนิสัยปัจจัยนะตัณหาเนี่ยนะเป็นตัวนําเกิดพาเกิดเป็นต้นไม่ใช่ตระกูลกรร ม, มปัจจัยแต่ตระกูลอุปนิสัยปัจจัยกรรมจะมีผลมากผลน้อยแรงมากแรงน้อยให้ผลได้เมื่ อ, อไรเป็นต้นนะอุปนิสัยเป็นตัวเป็นตัวกําหนดนะ เป็นตัวกําหนดเช่นกรรมอั น, นั้นทําด้วยความรุนแรงขนาดไหนกรรมอั น, นั้นเนี่ยมีองค์ประชุมเท่าไหร่ได้ปัจจัยขนาดไหนจิตอันนั้นจึงเกิดขึ้นแล้วอุปนิสัยด้านผลักดันในเรื่องกรรมแล้วกรรมจึงจะให้ผลอีกครัง้งนึงเนี่ยนะปัจจัยค่อขนข้างเยอะมาจากมหาพูดพวกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะพวกนี้มาจากมหาพูดมหาพูดมาจากกรรม กรรมก็มาจากตันหาถามว่าตานหามาจากอะไรเนี่ยนะอาวิช า, อ า, ชาอาวิชามาจากอะไรนิวนนิวรมาจากอะไรมาจากทุจริตทุจริตมาจากอะไรไม่สัมรวมอินทรีย์ไม่สำมรวมอินทรีย์มาจากอะไรไม่มีสติสัมปชัญญะเอาทำไมไม่มีก็ควรมีสิทำไมไม่มี ไม่โยนิโสอ้าทําไมไม่โยนิโสก็คิดสิมันง่ายๆออกไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังมาอ้าวทาไมไม่ฟังอ่ะก็เรื่องเล่าเยอะผมไม่ได้ครบสัตว์บุรุษมาอ่าไม่มีคนพูดให้ฟังเลยอ้าวแล้วทําไมอ่ะพ่อไปเกิดผิดที่อ่ะไปเลือกอยู่ผิดตําแหน่งเองอ่ะอ้าวทาไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่มีบุญอ่ะเงี้ยงั้นก็ถอยถยไปอย่างนี้แหละวัดตามันก็เลยยาวยืดมาจนถึงทุกวันเนี่ยการมาเป็นมหาบุรุ เจริญกันเกิด ค, คือต้องมามาพูดถึงองค์ประกอบนะว่าไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปอย่างเดียวอยู่ที่ปฏิสนธิจิตด้วยอาว่าสํานวส ว, ว่าอันนี้เป็นตัวโครงสร้างแบบที่เรียกว่ามนุษย์อย่างนั้นเถอะแต่ในองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์แล้วตัวนา ม, มาขันเนยนับว่าสําคัญอา่าใช่กรรมเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิต มันมั น, ม, นมันสัมพันธ์กันนะนะเพรพาะว right. ่าไอความเป็นมนุษย์ไม่ได้บ่งที่ที่มหาพูดเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานบางอย่างเหมือนมนุษย์โครงสร้างทางร่างกายเนี่ยนะเหมือนมนุษย์แต่เขาเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะเนี่ยนะเช่นพวกกินรีทั้งหลายแหละเป็นต้นที่ที่ตามที่แสดงเนี่ยนะโครงสร้างมันเหมือนมนุษย์นะแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์แต่ก็เป็นเดรัจฉานเนี่ยนะแล้วก็มนุษย์บางคนเนี่ยนะโครงสร้างทางร่างกายเหมือนเดรัจฉานแต่ไม่ใช่เดรัจฉานแต่เป็นเป็นมนุษย์เนี่ยนะ พันตัวที่สําคัญส่วนหนึ่งก็ตัวองค์ประกอบทั้งปฏิสนธิจิตทั้งนามขันนะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยคุณภาพของจิตที่มานําเกิดเนี่ยนะชั้นต้นเลยน ะ, ะคนนั้นจะพิการหรือไม่ส่วนหนึ่งนะคุณภาพของจิตที่มานําเกิดว่าจิตชนิดไหนมันนําเกิดปฏิสนธิจิตที่ไม่มีคุณภาพเอามากๆเลยยกตัวอย่างปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่ที่แอย่างเงี้ย มหาวิบากดวงที่แปดเป็นกรรมที่อ่อนเรียกว่าทำศักดิ์แต่ว่าทำอ่ะนะตอนที่ทําบุญก็เหมือนกําทําไปทีนั้นเวลาวิบากมันให้ผลก็ลักษณะปฏิสนธิเนี่ยไม่มีคุณภาพภาชนะทีนี้เอกกรรมที่จะมาอุปธรรมมันก็ไม่ค่อยดีกรรมมาอุปธรรมแค่จะให้มีตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยนะกรรมชนิดชนะกรรมมานําเกิดแล้วส่วนหนึ่งอาศัยอุปธรรมพระกรรม ทนี้ปฏิสนธิจิตมันคุณภาพมันเลวเต็มที่นะกรรมทั้งหลายก็ไม่อยากอุปธรรมเหมือนกันเถอะนะกรรมบางส่วนไม่อยากอุปธรรมเมื่อกรรมบางส่วนไม่อุปธรรมกรรมบางอย่างนําเกิดไม่ได้ให้เกิดเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกายไม่ได้ตาเนี่ยมาจากกรรมชนิดหนึ่งนะตามาจากโคนกรรมหูมาจากคนกรรมจมูกลิ้นกายเนี่ยนะกายแต่ละส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้ามาจากคนกรรมเลยนะ มาจากเจตนาคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเลยนะที่มาให้ผลเนี่ยนะตาจะดีหรือไม่ดีจะมอง ป, ปฏิสนธิจิตเป็นอุปนิสยัยปฏิสนธิจิแลกรรจนาซึ่งอันนั้เนี่ยก็ก็มีเป็นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อต่อการเกิดขึ้นของตานะแต่ว่าตาของสัตว์ในคันไม่ได้เกิดในปฏิสนธิการหูจมูกลิ้นเนี่ยนะไม่ได้เกิดในปฏิสนธิการ แต่หลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มรูปที่เกิดในปฏิสนธิการเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อการเกิดขึ้นของอวัยวะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าปฏิสนธิรูปที่เกิดเนี่ยเป็นรูปที่ไม่มีคุณภาพเอาเลยเนี่ยน ะ, ะส่วนของตาหูจมูกลิ้นก็ไร้คุณภาพไปด้วยแต่ทีนี้ก็ดูกรรมไกลด้วยนะดูเหตุไกลด้วยเพราะว่าไอ้กรรมในอดีตจะให้ผลด้วยก็ต้องอาศัยเหตุการณ์ในปัจจุบันนะส่วนหนึ่งเนี่ยนะกรรมในอดีต จ, จึงจะให้ผลได้ งามไม่งามก็อยู่ที่ว่ากรรมที่ทํามาเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับโทสะขนาดไหนกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับโทสะมากไหมถ้าหากว่าโทสะเนี่ยนะโทสะก็คือตัวกรรมอ่ะนะมาเบียดเบียนรูปบางอย่างเนี่ยนะมาเบียดเบียนเตโชก็ได้อโปวาโยสักส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยนะให้รูปกลุ่มนี่มันบกพร่องให้คุณภาพมันลดลงหรือว่าให้มันไม่ดีมหาพูดหนึ่งอย่างเปลี่ยนสีเปลี่ยน ปัวีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาโปเปลี่ยนสีเปลี่ยนวายโยเปลี่ยนสีเปลี่ยนเตโชเปลี่ยนสีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวไม่งามนี่นะเกิดจากคุณภาพของมหาภูตา ร, รูปมหาภูตา ร, รูปเนื่องจากโทสะเนี่ยนะโทสะเป็นอุปนิสัยให้เนี่ยน ะ, ะมีโทสะเป็นปัจจัยที่ที่ที่ว่าคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามเนี่ยนะ มีอยู่ยกตัวอย่างน้องสาวผ้าอนุรุท ธ, ธะเนี่ยนะเชื่อว่าเจ้าหญิงโรหินีเนี่ยนะก็เป็นคนงามวางั้นแต่ตอนหลังก็ไปเป็นโรคเรือนเป็นโรคเรือนหมดทั้งตัวเลยนะกลายเป็นคนไม่งามเวลาเขาทําบุญทำอะไรานางก็ซุกๆุตัวอยู่ในห้องในในวังอะนะไม่กล้าไปเจอหน้าใครละตอนหลังผ้าอนุรุท ธ, ธะก็เรียกมาเรียกมาแล้วก็ได้นําให้ทํากุศลเนี่ยนะสร้างเสนาสนะแล้วก็ให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดเสนาสนะ ตอนหลังก็มีผิวพรรณงามเหมือนเดิมเนี่ยนะทีนี้ก็พระองค์ก็ได้ตรัสถึงว่านางโรหินีเนี่ยนะเจ้าหญิงโรหินีคนเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งทีนี้ไอ้พระราชาเนี่ยก็อาจจะมีสนมหลายคนอ่ะนะก็มีสนมคนหนึ่งที่ที่พระราชาเนี่ยโปรดมากราชินีหรือมเหสีเนี่ยอิจฉาทีนี้พออิจฉาก็ไปเอาไอ้ผง ม, มามุ่ยอ่ะนะตำแยเนี่ยนะมาโปรยเต็มที่นอนหมดเลย ใส่แล้วเอาหมามุ้ยเนี่ยไปโรยตัวไอ้สนมเอกคนเนี้ยใส่แล้วสนมคนนี้ก็ไปนอนกลิ้งในที่นอนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนื้อตัวเนี่ยพุพองหมดเลยประมาณนั้นด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ตอนหลังก็มาเป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมนั้นเนี่ยไม่ครบกรรมบทให้ผลนําเกิดไม่ได้แต่มาเบียดเบียนในในประวัติการเนี่ยนะเจตนาอันนั้นก็มาเป็นอุปปีแล้วกักรรมมาเบียดมหาพูดก่อนเนี่ยนะเช่นมาทําให้เตโชเนี่ยนะมันร้อนมากขึ้น เนี่ยนะมามาเป็นปัจจัยแก่เตโชเตชโชก็ไปเบียดเบียนปัทวีเบียดเบียนอโปเบียดเบียนวายโยเมื่อเบียดเบียนปั๊บเนี่ยนะก็เรียกตามชื่อโรคไปอะไรไปอันนี้เราพูดในโรคที่มีกรรมเป็นสมุทฐานนะเราไม่พูดสมุทฐานอื่นอันนี้ปฏิวัติการก็ต้องดูว่าโลภะเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้วย เช่นโลผะโลผะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นมีอิทธิพลต่อว่ารูปงามหรือไม่งามนะตรงๆเข้านะคุณภาพรูปงามรูปไม่งามอยู่ที่โทสะเพราะว่าคนรูปคนรูปไม่งามเนี่ยตระกูลสูงไม่ไม่เกี่ยงใช่ไหมงามไม่งามตระกูลสูงตระกูลต่ำไม่เกี่ยงเนี่ยนะเกิดได้หมดเลยเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ผิวพรรณไม่งามเนี่ยเกิดจากโทสะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณทั้งหมดเนี่ยกรรมตร ง, ตร ง, ตรงๆก็คือ โทสะแต่โทสะนั้นถือว่ามีโลภ้าเป็นอุปนิสัยไหมก็มีเช่นก็อาจจะเนื่องจากโทสะบางเนื่องจากโลภ้าบางอย่างทําให้ไปเบียดเบียนสัตว์บางตัวเข้านะก็ถามว่ามีโลภ้าเป็นอุปนิสัยไหมแต่ตรงๆเนี่ยนะเกิดจากโทสะแต่ว่ามีโลภ้านั่นแหละเป็นอุปนิสัยหรือเป็นสมุทัยให้เพราะโลผ้เนี่ยนะมันคือตัวเขาเองกิจของเขาตรงๆส่วนหนึ่งเลยนะ ถ้าชอบในรูปปัจจัยแห่งตาพ่างั้นนี่ยพูดอ้อมเลยนะชอบในรูปเหตุตาชอบในเสียงเหตุหูอย่างเงี้ยตรงๆอ่ะทำให้มีหูเป็นต้นทีนี้คุณภาพของตาหูเนี่ยตาเขตาเอียงตางามตาไม่งามเป็นต้นดูที่โทสะถ้าโทสะมีกําลังมากตาเนี่ยนะไม่น่าดูหูก็ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะจมูกก็อาจจะเว้าวแหว่งเป็นโพรงไป ทีนี้เมื่อคุณภาพของตาหูพวกนี้ไม่ดีเนี่ยนะพวกสีทั้งหลายก็อาศัยพวกนี้ใช่ไหมสีของตาก็ไม่ดีเนี่ยนะคุณภาพของสีเป็นต้นในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ดีกลิ่นในพวกนี้ก็ไม่ดีวิบัติไปด้วยเนื่องจากมหาภูตรูปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวกิจของเข้าจริงๆตรงๆเข้านําเกิดเขาเน้นนําเกิดแต่คุณภาพจะประณีตหรือว่าดีหรือเลวก็อยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโทสะเนี่ยนะโทสะโทสะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ มหาพูดเนี่ยนะมหาพูดก็มาแต่งโครงร่างเนี่ยนะแต่ว่าที่สุดเหมือนกันหมดเลยนะงามไม่งามแก่ตายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะที่สุดของของผลเนี่ยนะตัวที่สุดของวงกลงรอบนอกคือไรชรา ม, มรณะเนี่ยนะไอกรรมเป็นตัวนาเกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดงามไม่งามตายเหมือนกันหมดเลย <laughs> แล้วมีอยู่สูตรหนึ่งอัยังชอบใจเลยที่พระองค์ตรัสกับ เจ้าหญิงรูปนันธานะซึ่งเป็นน้องเนนะน้องเขาเขาเป็นคนงามมากสมัยพุทธกาลนะเขาไม่อยากบวชหรอกแต่ว่าคนอื่นบวชหมดเลยอ่ะจะให้เขาอยู่วังคนเดียวได้ยังไงก็เลยบวช ด, ด้วยบวชเพราะชอบญาติตรงนั้นเลยบวชอยากไปอยู่ใกล้ๆญาติแม่ก็ บ, บวชพี่ก็ บ, บวชญาติก็ บ, บวชใครก็บวชกันหมดเลยจะอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงแต่ก็ชอบสวยชอบงามมากไม่ชอบไปฟังธรรมเพราะพรพุทธเจ้าวัวนๆก็รูปไม่เที่ยงรูปเป็นโรคเป็นฝีไม่ชอบฟังเลยนีไม่ชอบมากๆแล้วตัวเองก็ถือว่ารูปงามที่สุดนะ่ยนะ เขาบอกว่าเขางดงามแค่ไหนเขบอกถ้าเข้าในห้องเนี่ยนะถ้าห้องประมาณ12บสองสองไม่ต้องจุ ด, จดไฟเนี่ยนะเขามีรัศมีออกจากตัวแต่ก็ไม่ถึงเทพแต่ก็ล้ามนุษย์ทั่วๆไปเพราะงั้นเขาเรียกว่าเป็นนางชนบทกาลยานีนะทีนี้ ม, มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะใครก็ไปฟังเทศก็ชมแต่พระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะนี่เราก็อยากไปเห็นพระพุทธเจ้าบ้างนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยไปเห็นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพระองค์จะตําหนิเรื่องรูปเขา้าไม่ชอบทีนี้วันหนึ่งก็ไป นี่พระองค์ก็รู้แล้วว่าวันนี้จะมาแล้วพระองค์ก็เลยเนยรมิตไอ้นางที่งามกว่านั้นนะะทีนี้พอไปเห็นคนงามจริงๆยืนพัดพระพุทธเจ้าเข้าก็ไอ้ตัวเองอะกิเลส ท, ที่เคยถือว่างามที่สุดนี้ก็หมดไปอย่างนั้นก็บอกว่าพอไปเห็นสนมของอเห็นหญิงที่พระพุทธเจ้าเนรมิตให้ยืนพัดพระองค์เนี่ยนะก็บอกว่าเราเนี่ยนะไอ้ที่ว่าสําคัญว่างามงามเนี่ยไม่คู่ควรแม้กระทั่งไปเป็นหญิงรับใช้อย่างนั้นเถอะมันเข้ากันไม่ได้เลยอะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เนรมิตให้ชาราขึ้นชาราชาราชาราชาราจนถึงก็ล้มตายลงตรงนั้นแหละก็สลดสังเวชใจโอ้ยที่เราสําคัญว่า ง, งามมันก็มีเท่านี้เลยเระะว่าการเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเลยนร่างกายที่เป็นนครแห่งกระดูก300เหมือนกันเถอะสามรอยทอดมีว่าไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมขนเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็มีข้อความตอนท้า ย, ายว่า ก็บอกผู้ที่สําคัญในกายตนเนี่ยนะแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะว่ไอ้พวกนี้ทุกขสั์ทางนั้นน่ยไม่มีนิโรธสัตว์อยู่ในนี้ไม่มีสักอันเลยนะมรรคสัตว์ไม่มีอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรสักอันเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สําคัญในพวกนี้มากๆกก็ไม่ได้มีอะไรรอกนอกจากไม่เห็นอริยสัจเชื่อไหมถ้าเอาตามีตามีหูมีจมูกมีสิ่งเหล่านี้แล้วไปดูหมิ่นคนอื่นนะเป็นเหตุแห่งอะไร ตระกูลต่ำเนี่ยนะอาศัยพวกนี้แล้วไปดูหมิ่นคนอื่นนะพวกนี้ใช้ไม่ได้ฉันดีกับเพื่อนหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นมากเหยียดหยามคนอื่นเก่งๆเนี่ยนะเช่นมองคนอื่นด้วยสายตาที่เหยียดหยามเป็นต้นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นเหตุแห่งเกิดการตระกูลต่ําแล้วก็เป็นเหตุแห่งผิวพรรณที่ไม่งามเพราะในความงดงามมันก็เป็นมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันเป็นของส่วนหนึ่งอ่ะนะทีนี้ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้มาทําอะไรต่อไป เพราะว่ารูปทั้งหลายและเนี่ยนะเป็นกลุ่มอัพพยาคตะธรรมทั้งหลายอัพพยาคตะธรรมทั้งหลายนี้อัพพยาคตะธรรมทั้งหลายเป็นอุปนิสัยแก่ราคะก็ได้เป็นอุปนิสัยแก่โทสะก็ได้เป็นอุปนิสัยแก่โมหะก็ได้เป็นอุปนิสัยต่อทานศีลภาวนาเป็นต้นก็ก็ได้แต่ในบรรดาคนที่รูปงามก็พระพุทธเจ้างามที่สุดแต่ก็เป็นอุปนิสัยแห่งอะไรเป็นอุปนิสัยเพื่อที่จะได้แสดงธรรมให้แก่สัตว์ทั้งหลายคนที่ชอบรูปงามนะไปดูพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคนที่รักรูปเป็นเกณฑ์เนี่ยนะถือว่ารูปเนี่ยดีที่สุดชอบรูปก็จะติดตามพระพุทธเจ้าไปไอ้ระหว่างติดตามพระองค์ก็จะเทศให้ฟังไปเรื่อยๆตอนหลังก็ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันเช่นพราหมวกฤกต เ, เนี่ยนะบวชไม่ได้ศรัทธาคําสอนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้ารูปงามเหลือเกินเหมือนกันแบบวชจะดูอย่างเดียวเหมือนกันวั น, ว, น, ว, น, ว, นวันเขาไม่ไปทําอย่างอื่นนะพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเขาจะไปนั่งดูอย่างเดียวมาดูไม่อิ่มไม่เบื่อวเหมั้นกันนะเออเหมือนฝรั่งฝรั่งเข้าไปดูอระพุทธรูปพระพุทธรูป พระพุทธชินราชเขาเขาไปนั่งดูอยู่อย่างนั้นแหละเขบอกงามมากว่างนั้นนะก็แค่แนหละเขาเพียงแต่ชอบดูไปอย่างนั้นบางคนเนี่ยจะได้บรรลุธรรมเพราะอาศัยเกี่ยวข้องกับการรูปไปเรียกว่าพวกรูปปร ะ, ประมาณิกะพวกถือรูปเป็นประมาณก็ที่พระพุทธเจ้าพวกที่ชอบเสียงเป็นประมาณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญหรือแม้กระทั่งเสียงเทศเวลาแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยนะพวกที่ชอบเสียงก็เสียงพระพุทธเจ้าดีที่สุดอยู่แล้วก็ไปฟังอีก บางคนชอบแต่เสียงเป็นเกณฑ์ก็บรุษทำเพราะเนื่องจากเสียงเพราะพระพุทธเจ้านะถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับพระองค์พระองค์แต่งจนได้ดีหมดแหละเว้นไว้แต่ว่าหวยจังทีอ่ะนะสำนวนว่าอะไรนะถ้าพวกถ้าเป็นลิ้นมานะให้รู้รสแกงได้หมดเลยแต่ถ้าพวกทัพพีมาก็ช่วยในได้เหมือนกันถ้าเราเอาเรื่องของหาพุญลูในปฏิสันธ์การมาทาปริญญาดีนะถือว่ามี ขันอดีตมาป็นารมได้อดีตไหอดีตอัทธารออดีตอะขันอดีตก็คุณูพบว่าคือคำว่าอดีตเนี่ยนะส่วนทั่วๆไปที่พบก็เน้นอดีตอัทธาก่อนในชั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะจะพูดถ้าอดีตก็อดีตอัทธาไปเลยอดีตคืออดีตชาติไปเลยเพราะฉะนั้นไอการเกิดอันนี้ถือว่ายังอยู่ในปัจจุบันอยู่นับตั้งแต่ปฏิสนที่ เรียกว่าวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าปัจจุบันหมดเลยเพราะปัจจุบันในชาตินะ่ะนะเพราะว่ า, าการพิจารณาริยศาสตร์เนี่ยนะชาติป็นทุกขาชราเป็นทุกขา ม, า, ามรณะปนทุขังเนี่ยนะไม่ต้องไปนั่งห่วงว่ามันเป็นอดีตหรืออนาคตอะไรหรอกกระทัมันเกิดได้มันไม่ดีทั้งนั้นแหละเหมือนกันก็ให้พิจารณาก่อนตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะผ้าอารหันต์หลายๆองค์เนี่ย น, นะก็เนื่องจากเบื่อในการเกิดของตัวเองนั่นแหละเกิดมาในสภาพที่มันทุรักทุเลเต็มทีเนี่ยนะ อย่างท่านโสปากะเนี่ยนะก็ละเอียดละอานในเรื่องของการเกิดนะที่บรรลุตั้งแต่เจ็ขวบเนี่ยนะแล้วก็สังกิจจาสัมมณีเ น, เนยนะ่ยที่หางตาเสียเนะี่ยนะที่ตายในท้องกรมอ่ะนะแล้วเขาเผาแล้วก็กระเด็นที่อยู่ในนั้นอนะ่ะที่เขาแทงหลาวไปถูกหางตาเนี่ยนะก็มีหลายคนเนี่ยนะ ท, ที่เบือ น, นายตั้งแต่เล็กๆเลยนะเบื่อนหนายในการเกิดตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็พิจารณาในลักษณะนั้นเขาก็ตอนหลังก็บรรลุมากผล และอย่างหนึ่งเวลาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงชาติปีทุกขาเนี่ยนะพงษ์ไม่ได้พูดแต่ว่าเออเกิดเป็นทุกข์แล้วก็แรกปฏิสนธิเท่านั้นนะพงษ์ยังพูดถึงว่าทุกข์ที่อยู่ในคันเป็นมูลทุกข์ที่เกิดจากการบริหารคันเป็นมูลทุกข์ที่เกิดจากการคลอดจากคันเป็นมูลอันรายละเอียดในการอยู่ในเรื่องในคันทั้งหลายแหล่นี่นะมียที่บายเยอะมากของมาเมื่อก่อนนี้อ่านผ่านผ่านว่ามันนึกไม่ค่อยออกมารุ่มเป็นยังไงนะท่านก็ว่าของท่านไปนึกไม่ค่อยออก ก็หมอเอารูปไปให้ดูว่านึกออกเยอะแล้วตอนหลังว่าอ่านแล้วมันเข้าใจไปเยอะกว่าเดิมมากเหมือนกันนะะเพราะว่ามันต้องพิจารณาว่าส่วนหนึ่งชีวิตของเราก็อยู่ในคันอันนั้นแล้วนะอดีตก็เคยอยู่แล้วถ้ายังไม่สามารถดับอวิชชาได้เนี่ยนะถามว่าปฏิสนธิในคันนี้เมื่อไหร่ใครจะรู้ว่านาทีข้างหน้าอย่างเงี้ยว่าไปปฏิสนธิในคันอีกแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาตายเนี่ยนะมันไม่มีใครกําหนดได้หนึ่งนะ บอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้หนึ่งสถานที่ตายเวลาตายเนี่ยนะที่ทอดทิ้งร่างกายแล้วก็พบใหม่คือถ้าผู้ที่ไม่ได้บําเพ็ญอภิน ญ, ญามาเป็นต้นก็รู้ไม่ได้อ่ารู้ไม่ได้เนี่ยนะมันจะไปจะไปรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้ไปนอนในครันอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่าพูดถึงทําให้นึกถึงไอเ้เวรันชเวรันชพรามเนี่ยนะเวรัญชพรามนี่เขาถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยอายุร้อยี่สิปีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนนั้น ตรัสรุตอนอายุ35ไปเมืองเวรัญชาเมื่อพันสามสิบสองเท่าไหร่ <17. S 1> อันนะตอนอายุพระพุทธเจาา 47, ้าอายุ47เจ็ขาอายุ120ยแล้วนะเขาไปก็บอกโอ้สมณะโคโดมเนี่ยไม่ไว้เลยไม่ลุกรับคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเห็นไมไม่รู้จักผู้เจริญไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทําการกราบไหว้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ตําหนิไปทีนี้อัต่กถาท่านก็อธิบายนะว่าเวรัญชพามเนี่ไม่รู้หรอกแกจะไปปฏิสนธิอยู่ในครันเป็นเด็กทารกพุ่งนี้ปืนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่า ง, งั เนี่ยนะเพราะว่าพบหน้าก็ไม่ได้ไปอยู่ไกลอะไรเลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือปืนี่เนีอีกไม่กี่ปีเนี่ยอ้าวมานั่งเขียนกกกากไก่อย่างเงี้ยก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัตเนี่ยนะมันมันขึ้นขลงลงพบเล็กพบน้อยอย่างเงี้ยตรงนี้แหละในบสายตาของบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ถือว่ามันไม่มีไม่มีสาระอะไรเลยนะมันเป็นเหมือนกับของเด็กเล่นเฉยๆท่านเองเป็นของที่ ถามว่ามีความสุขไหมมีแต่มันน้อยเดียววะงั้นเด้อแต่อุปมาของท่านนะั้นฝังแลาวหนักเลยนะอัิกูปมาว่างั้นเหมือนร่างกระดูกม่างั้นไม่อร่อยแท้จริงอ่ะทีนี้พออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นยังไงต่อไปในส่วนที่เป็นผลของกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเลยก็คือภาษาและก็เวทนา ส่วนนี้ขับเน้นนามธรรมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อชีวิตในส่วนของของรูปอะไรอะของนามธรรมประเภทผลของกรรมนะเพราะว่าส่วนนี้เรียกว่าวิปากวัตวิปากวัตอันนี้นี่นะมีอิทธิพลที่สำคัญต่อต่อกิเลสมากและกิเลสอันนี้แหละที่มันจะวนมาหากรรมใหม่จะหากรรมใหม่ ระหว่างกิเลสวัดอันนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรตันหาแล้วก็อุปาทานตันหาอุปาทานเนี่ยนะเป็นชื่อเรื่องของกิเลสแต่นี้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดได้อาศัยภาษะกับเวทนาภาษากับเวท น, นาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อตันหาและอุปาทานไอ้ตันหากับอุปาทานเนี่ยมีอิทธิพลต่อกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม ทีนี้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยนะเนื่องจากปัจจัยทำไมกายกรรมของบางคนเป็นกุศลทำไมกายกรรมบางคนเป็นอกุศลอะไรเป็นปัจจัยนนะก็ต้องเอาจากสีเนี่ยมาวัดดูถ้าเป็นหนึ่งนะปุเพกตปุญญาตาถ้าปุเพกตปุญญาตาอันนึงเป็นเหตุหนึ่งของกุศลจิตทั้งหลายคือสะสมอุปนิสัยที่กุศลแจิตจะเกิดมาแล้วอดีตเนี่ยนะเช่น อ่าบางคนเนี่ยเกิดมาชอบให้ทานไปเลยเนื่องจากอุปนิสัยในการให้มาเป็นอย่างมากนะอันนี้เรียกว่าอาศัยปุเพกตะปุญญตาหรืออุปนิสัยปัจจัยสองปฏิรูปเทศวาสะเนี่ยนะอยู่ในปฏิรูประเทศอ่ะซึ่งเขานิยมทําบุญประเภทนั้นประเภทนั้นบ่อยๆบ่อยๆก็เลยเอากับเขาบ้างทําบุญกับเขาบ้างอ่าปฏิรูประเทศก็นับว่าสําคัญมากทีนี้ต่อไปฟังฟังภาษาธรรม แต่ว่าฟังภาษาธรรมเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรคบสัตบุรุษเนี่ยนะคบศัตบุรุษไม่ใช่สัตตะนะสัตใช่เฉยสัตมาจากสัตตัวนั้นมาจากสงบมานไม่ใช่สัตตะซึ่งแปลว่าสัตหรือไม่ใช่แปลว่าเจนะเพราะสัตตัวนั้นแปลว่าสัตบุรุษบุรุษผู้สงบทั้งหลายเลยเนี่ยนะแล้วอีกตัวนึ่งฮะศัพท์นั่นแหละอันเดียวกันนะศัพ์บุรุษศัพ์บุรุษกับศัต์บุรุษอันนีเดียวกันเนี่ยนะศั์บุรุษคบศัพ์บุรุษ เนี่ยนะสัปปุริสูเนี่ยนะี่จริงก็สัปปุรุษนั่นแหละครบสัปปุรุษฟังธรรมของสัปปุรุษแล้วก็โยนิโสพวกนี้เป็นเหตุแห่งแห่งกุศลทั้งหลายถ้าไม่ได้ปัจจัยพวกนี้นะอย่าวังเลยว่าเขากุศลจิตเขาจะเกิดให้ไปเป็นกายสุจริฏฐวจีสุจริฏฐมโนสุจริตให้เป็นไปกระทานศีลภาวนาถ้าไม่ได้องค์ประกอบเหล่านี้นะอย่าคิดเลยอาทิตยเมื่อเช้าคุยกันว่าถ้าเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะ ให้เขาเข้าใจในพระธรรมเลยสำนวนะผลต้องการให้เขาโยนิโสว่า ง, งันเถอะโยนิโสเพื่อที่จะได้เป็นไปกับทานศีลภาวนาเป็นไปกับกุศลหนึ่งแต่งปุดเพกตะปุญญาตาเขาได้ไหมล่ะสองจัดสถานที่ให้เขาอยู่ได้ไหมวัดทันตาวได้นะวัดทันตาวได้แต่้ทกังวะกลางคืนไม่ได้ใช่ไหมได้แต่กลางวันอ่านะ เพราะฉะนั้นแม้แต่วัดพันตาวก็ต้องดูเวลาด้วยนะอนะทีนี้ก็พอมาก็มาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นศรัทธาแล้วก็ฟังถ้าได้องค์ประกอบนี่ยนะแล้วฟังก็ต้องมีองค์ประชุมของคําว่าฟังด้วยนะสําคัญที่สุดในองค์ประชุมของคําว่าฟังเนี่ยนะมันใช่ไหนั่งแว่วแวผ่านหูไปเฉยๆเนี่ยนะถ้าแว่วผ่านหูก็ไม่เรียกว่าฟังเรียกว่าได้ยินเฉย แต่ถ้าฟังในทีนี้ที่ต้องลักษณะโสตาวิธาเนสุตามยยานังอ่ะนะแล้วอ่ะฟังจนบริบูรณ์แล้วเอาไปโยนิโสได้อ่ะนะอันนั้นแหละถ้าเราจะช่วยใครสักคนนึงก็แต่งพวกนี้ให้เขาได้ไหมถ้าแต่งได้ช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นตัวแรกถ้าะเป็นอดีตแต่เราก็แต่งแต่งของชาตินี้ให้เขาไปเป็นดีชาติหน้าไปอะไรไปอ่านะถ้าเขาโยนิโสขึ้นได้อย่างนี้แล้วอ่ะทานนกกุศล ศีลในกุศลแล้วก็ภาวนากุศลเนี่ยจะเกิดต่อได้ถ้าแต่งพวกนี้ให้ได้นะอันการที่เราจะที่เยวว่าจะสงเคราะห์ใครสักคนเป็นต้นก็เอาองค์ประชุมเหล่านี้มาจับดูถ้าไม่สามารถแต่งองค์ประชุมตัวใดตัวหนึ่งได้ก็เจริญกรร ม, มสกตาเอาไว้ก่อนเนี่ยนะว่าเราเองก็มาด้วยกรรมของเรานะถ้าไม่รีบทํากรรมดีแล้วก็จะแย่เหมือนเขานั่นเนี่ยถ้าเราเองก็ยังคิดช่วยเขาไม่ได้เลยนะ ก็เคยปฏิรูปประเทศจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะเนื่องจากประโยค่เข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าบ้านเนี่ยนะอยู่ในถิ่นที่เขามีการฟังธรรมอยู่แล้วไม่ชอบอยู่บริเวร์นี้เลยไปอยู่ที่อืน่นดีกว่าเนี่ยนะก็ทําให้คิดย้ายประเทศที่อยู่ก็ได้เนี่ยนะ อ, อ, อยู่เมืองไทยไม่ชอบอยู่ต่างประเทศดีกว่างั้นนะแล้วไปประเทศที่เขาไม่มีฟังธรรมอะไรสักเม็ดเลยอย่างเงี้ยก็ยยแย่ละประเทศบางประเทศให้ธรรมะนี่ให้เอาเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำไป ก็ไปเลือกอยู่ประเทศแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วครนนะีทีนี้ถ้าปฏิรูปประเทศไม่ได้ภาคที่ไหนก็จะไปะเทศให้ฟังเป็นต้นนะหนังสือเขาส่งไปให้อ่านยังส่งไปไม่ได้เลยเขายังตรวจเลยอย่างนั้นก็ยังไม่ให้เอาหนังสือธรรมะเข้าประเทศเขาเลยเสร็จ แ, แล้วฟังธรรมก็มันก็หมดถ้าฟังธรรมหมดแสดงว่าหนึ่งอปุปเพกะตปุญญาตามไม่ดีหรือไม่มีสองได้อยู่ในที่ที่ไม่ ไม่เหมาะสมสามไม่ได้ครบสัตว์บุตรไม่ได้ฟังธรรมอย่าหวังว่าทานศีลภาวนาเขาจะเกิดเมื่อกําหนดทานศีลภาวนาไม่ได้เนี่ยนะส่วนนี้ไม่ได้มนุษย์หรือเทวดาหวังได้ยังไงนี่มนุษย์เทวดาหวังไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปจะมีได้ยังไงเมื่อตาหูจมูกล้นกายใจไม่ดีผัสสะเวทนาก็มาเกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็เพราะฉะนั้นวตะมันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยวิวัฏะที่จะถอนพวกนี้ออกเนี่ยเป็นได้อย่างไร ในจักรเสนี่ในสามข้อแรกมีส่วนบรรดานให้ข้อสุดท้ายคือโยนิสโสตตนะครับตัวปุเพกะตะปุญญาตานะเป็นอิทธิพลที่ตรงต่อโยนิสโสเพราะมันเป็นตระกูลกุศลด้วยกันทีนี้เราเราไม่มีโอกาสที่จะทราบเลยว่าเขาเนี่ยมีปุเพยปุญญาตาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปตัดเลยโดยที่เราจะไม่เสื้อกูนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าบางทีพอเราเสื้อกูนเข้ไปเนี่ยอดีตเขาเคยทํามาเนี่ยเราก็ไม่รู้พอบางทีเขาฟังนิดนึงแล้วเขาก็เกิดสัตย์ฐายขึ้นมาก็ได้ก็ก็ตรงนี้ไงถ้าถ้าจะเอาวิชาจานจริงๆอนะถ้าจะช่วยเขาได้จริงๆตรวจสอบเป๊ะเลยก็เสียสงขรนะเสียสงขรแสนกลับนะถ้าจะอาวิชาจารยนเลยนะ พระพุทธเจ้าเป็นาศาสตาจารย์เอกของโลกนะถ้าจะเอาวิชาอาจารย์จรงิงๆก็เสียสงไขยแสนกลับเนี่ยนะถ้าจะเอาผู้ช่วยอาจารย์เฉยเฉยนะเอาผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยซ้ายขวาก็หนึ่งาสงไขยเศษอีกแสนกลับถ้าเป็นเลขาก็แสนกลับทีนี้ก็จะเอางานระดับไหนก็เลือกเอานะถ้ามีการุณาจริงๆริอะนะก็ดูเอากันแล้วกันว่าควรจะเอาอยู่ในระดับไหนแต่ถ้าเป็นลักษณะชีวิตเนี่ยนะของมาใช้สองวิธีคือสุ่มกับแห่หวนเนาะ นั่นนะสมก็ว่าไปเรื่อยนั่นนะสมถูกก็ว่าไปผิดบางทีถูกก็ตําหนิ ม, มาท่านไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยก็ว่างั้นเอานึกว่าดีที่ไหนได้มีนะบางทีเนี่ยไปพูดธรรมะแบบนี้เนี่ยคนไม่ชอบเลยนะอ่านเนี่ยก็ว่าสมแล้วผิดเหมือนกันไปสมถูกอะไรเข้ากัไม่รู้นั่นนะเขาก็ว่าเอาเรื่องมันผมฟังง่ายๆหน่อยนะคาร า, า, า, าแบบเนี้ยนะฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาว่างั้นเอามีอยู่ที่หนึ่งไปพูด พูดธรรมะพูดอะไรเน like ี่ยนะเขาก็้บน like well ี้โอ้ท่านพูดให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยนะกำลังนี่นเราก็ว่าเราเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะเรื่องนี้เขาก็ว่าไม่ดีอันนี้ส่งผิดที่อันนั้นเหมือนกับเหมือนกับแหเนี่ยนะไปบางแหงมาเลยเนี่ยแทบจะเลิกพูดอีกเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหวี่ยงแหแล้วแหมันขาดมาอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีใช้ส่งแหนี่แหละอาจารย์มเหวี่ยงที่นี่ช้านิดนึงแก่ ถ้าเวียงตอนอื่นไม่รู้จะเอาอะไรมาเวียงอีกก็ไม่รู้แย่แล้วกันอันนัะนตอนนี้มันปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะวันก่อนคุณหมอพูดยังไงนะก็บอกว่าอย่าไปเสียดายนมที่มันหกไปเลยอย่างนั้นระวังนั้นแหละมันหกหมดแล้ ว, วอ่ะอทีนี้ที่จะเลยไปหาในเรื่องของในในส่วนนี้นะถ้าพื้นฐานเข้าใจอันนี้จะโยงไปหาอัฐาสามสังเขศี โยงไปหาสนที่สามวัตตะสามอาการยี่สิบเป็นต้นก็จะ ง, ง่ายแต่ว่าคงเป็นช่วงอื่นนะเพราะช่วงนี้ก็นะระคังเทนเขาดังว่าอันนี้เป็น <c oughs> เป็นพื้นฐานของกรรมมสกตานะถ้าวิชาตรงตรงเขาเลยเป็นกรรมมสัสกตา กรรมสกตาอันนี้เนี่ยเป็นบาทของยาตะปริญญาเพราะว่าการรู้เห็นอันนี้นี่นะเป็นยาตาปริญญาหรือเป็นประเภทกลังขาวิตรณะวิสุทธิอยู่ในกลุ่มประเภทกลงขาวิตรณะวิสุทธิเนี่ยนะพอวิชาวิชาระดับนี้เนี่ยทำมาทำไมไม่พูดรูปนามอ่ะทำไมไม่ทำไมไม่เน้นโอ้นี่รูปนี่นามทำไมไม่เน้นรู้ไหมในนี้ไม่มีอะไรมั่งไม่เป็นรูปไม่เป็นนามเอาเอาวิชารูปหรือเป็นนาม เป็นนามสังขารเป็นรูปหรือเป็นนามอ้าวเป็นกายสังขารเมจีสังขารเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามนามเมจเตนาใช่ไหมอาวินปฏิสนธิวิญญาณเป็นรูปหรือเป็นนามนะส่วนที่เป็นนามทั้งรูปก็มีแล้วก็อายตนาก็นามกับรูปเพราะฉะนั้นการแสดงแบบนี้มีสัตว์อยู่ในนี้ไหมหรือมีสัตว์กายมีอัตตาไปอยู่ในนี้ไหมการพูดระบบแบบนี้ก็เท่าประกาศในตัวอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ทุก แต่ทุกเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะเสร็จแล้วถ้าแสดงตามธรรมมัทธิยานเนี่ยนะแม้ในอดีตการอาวิชาก็เกิดจากสังขารแม้ในอนาคตการต่อไปนะอวิชาก็สังขารก็จะเกิดจากอาวิชาแม่ปัจจุบันนี้สังขารอันนี้ก็เกิดจากอาวิชากุศสระจิตนี่นะที่เรากำลังนั่งฟังเนี่ยกุศรจิตนี้เกิดจากอาวิชาเป็นอุปนิสัยด้วยเป็น อารัมมณปัจจัยด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยในขณะที่พิจารณาอาวิชชาอาวิชชาชื่อว่าเป็นอารัมมณปัจจัยของบุญเนี่ยนะของบุญของภาวนาเนี่ยนะพันธะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนี่ก็จะว่า อ, อีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่บาวิชานี้สําคัญต่อการเจริญพุทธคุณเป็นอย่างมากเลยถ้าความเข้าใจพื้นฐานอันนี้อ่อนกรรมสกตา ก, ก็อ่อน ถ้ากรรมมศกตาอ่อนนะคิดเรื่องกรรมน้อยๆเนี่ยของมาไม่อยากพูดทักที่เรียกวิวปัสสนาให้ใครฟังเลยถามว่าทำไมก็บุญบาปยังไม่ค่อยจะเชื่ออยู่เลยนะจะไปเอาพ้นทุกข์ได้ยังไงนาะ่างนะั้น